ก็คือเจ้าที่ได้สนทนากันแล้วก็สรุปย่อให้อาจาฟังเนี่ยเขาที่จับประเด็นได้เนี่ยมันเรียกรวมๆว่มมาเป็นเรื่องท่าทีนะเป็นเรื่องท่าทีแล้วเรื่องการวางใจและสัมพันธ์กับ4เรื่องใหญ่ๆนะอันแรกก็คือเรื่องงานที่2ก็คือเรื่องคนคนนี่ก็หลายตั้งแต่รูปสิทธิ์นะแล้วก็คนไข้ รวถึงชุมชนแล้วก็จะกว้างไปถึงประเทศชาติเลยก็ได้หรือสังคมอันนี้เป็นเรื่องของคนนะไอ้สาก็เป็นเรื่องของความรู้ความรู้แต่รู้สึกว่าตรงนี้อาจจะน้ำหนักจะน้อยกว่าสองอันแรกนะแล้วก็ที่สี่นั่คือเรื่องตัวเอง คือตัามาี่เป็นเรื่องสำคัญทีเดียวนะไอ้ธาทีทั้งสประการเนี้ยมันเชื่อเลยนะว่าความเป็นแพทย์นเนี่ยที่จริงก็เหมือนกับ อ, า, อาชีพอื่นๆหรือว่าความรู้ความสามารถด้านอื่นๆนะก็คือว่านอกเหนือจากการรู้ให้ทะรุโ ป, ปร่งในเกี่ยวกับเรื่อง วิชาการนะซึ่งต้องอาศัยสมองที่ครครวนสมองที่มีความสามารถในการจดจำแล้วก็วิเคราะห์แยกแยะแล้วเนี่ยมันยังต้องอาศัยสิ่งที่เรียกวา่าท่าทนะีท่าทีนี่เป็นเรื่องของใจคือทุกอาชีพนะหรือว่าทุกทุกวงการ ไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามเนี่ยมันต้องอมีสายมีสามอย่างเสมอนะอันแรกคือภาษาฝรัง่งเศสเฮสเฮสอันที่สองคือแอนแล้วอันที่สามคือฮาร์ดนะฮสก็คือความรู้เป็นเรื่องสมองนะซึ่งอันนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่เน้นหนักมากในในการศึกษาพแพทย์นะก็ต้องเรียนทฤษฎีมากมายทําการแพทย์เรื่องอนานโะตมีต้องจาต้องจำ เอาไปเอาไว้ต่างให้ได้ซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ตมาว่าทุกอาชีพนันต้องมีนะแม้กระทั่งนักดนตรีเนี่ยก็ต้องมีนะเรื่องความรูใ้ในเรื่องทฤษฎีเกี่ยวกับดนตรนะีแม้กระทั่งรู้ว่าเออจะวางมืออย่างไรถ้าจะเล่นดนตรีถ้าจะสีใบโอรินจะวางมืออย่างไรสองข้างอันนี้ก็เป็นเรื่องทฤษฎีเหมือนกัน ศิลปนักว่าศิลปะเนี่ยจิตตะกรก็ต้องช่ำชองทฤษฎีทฤษฎีสีทฤษฎีเกี่ยวกับเรื่องอความงามแต่ว่ามันไม่พอจำก็มีทักษะด้วยอันนี้เราก็เรียนมาเยอะนะเรื่องทักษะหมอจะเป็นทักษะในการผ่าตัดทักษะในการรักษาผู้คนจึงเรียกว่าเวลาเราเรียนจบเราก็เรียก ประกอบโลกศิลป์เพราะว่าการแพท่มันเป็นทั้งศาสตรและศิลป์ใช่ไหมฮะ <S 1> <S 1> <S 1> แต่ว่าถามว่าเท่านี้พอไหมมันไม่พอหรอกมันต้องมีฮาร์ก็มีที่ใจด้วยนักดนตรีทักษะดีแค่ไหนนะความรู้ความช่ำชองด้านด้านศิลปกด้านทฤษฎีนะประวัติศาสตร์ของ เพลงที่ตัวเองแต่งเพลงที่ตัวเองบรรเลงเนี่ยรู้ว่าเพลงนี้มีโทเฟนนะเป็นคนแต่งแล้วก็มีปบทเป็นยังไงเนี่ยนะทักษะก็ดีแต่ว่าใจเนี่ยไม่ถึงอารมณ์ใจไม่อารมณ์เนี่ยใจนี่ไม่เข้าถึงอารมณ์ของเพลงนั้นเนี่ยมันก็ไม่เพระ้ะซึ่งอันนี้เป็นเรื่องยากมากนะเด็กเนี่ยบางคนเนี่ย หือคนหนุ่มบางคนเนี่ยอาจจะมีทักษะในดนตรีในเรื่องดนตรีมากแต่ถ้าใจไม่ถึงอารมณ์ของเพลงเนี่ยมันเล่นยังไงก็ไม่พร้อมันไม่ใช่ว่าต้องเล่นให้ถูกตัวโน้ตอย่างเดียวนะมันเป็นเรื่องอารมณ์ด้วยหรือไม่จะจําโน้ตได้แม่นนะแต่ถ้าอารมณ์ไม่ถึงเนะี่ยมันก็ไม่พร้อเพราะในเรื่องฮาร์ดเนี่ยเรื่องใจสําคัญอาตมาว่าอันนี้ก็สําคัญสำหรับแพทย์เหมือนกันนะเรื่องฮาร์ดเรื่องใจเนี่ยนะเพราะว่าการที่ การที่เราจะารักษาคนไข้หรือว่าทําหน้าที่ของแพทย์ได้อย่างดีเนี่ยแม้จะไม่ได้รักษาคนไข้เลยแม้จะทําแค่วิจัยนะอยู่ในห้องอยู่ในห้องเนี่ยฮาร์ดนี่ก็จําเป็นเหมือนกันเพราะว่าฮาร์ดแต่ที่นี้เนี่ยมันไม่ได้หมายถึงแค่มันไม่ได้หมาย ถ, ถึงแค่อารมณ์เท่านั้นแต่มันรวมมันนัดมันรวมไปถึงท่าทีที่มีต่อสิ่งต่างๆด้วย เช่นความรักเนี่ยรักลุกรักลูกศิษย์เนี่ยตมากรวดนิ่งนี่ก็คือท่าทีอย่างหนึ่งนะเป็นท่าทีมันไม่ใช่สมองแต่เป็นเรื่องของหัวใจการรักลูกศิษย์การรักงานที่เราทำเนี่ยมันเป็นเรื่องของหัวใจใช่ไหมฮะง <c oughs> นั้นคําว่าท่าทีเนี่ยตมาจะจะมาถึงมิติด้านด้านใจความความมีอินทิกริตติต่อ ง, งานนะมีความซื่อสัตย์ต่อ ง, งานที่ทำเนี่ยก็เป็นเรื่องของใจ ว่าคุณรักงานนั่นแค่ไหนถ้าคุณรักงานนั้นเนี่ยก็ธรรมดายอยู่ที่คุณก็จะมีความซื่อสัรย์ในงานนั้นหรือหรือว่าถ้ายิ่งถ้าคุณมีแพชชั่นถึงที่ฝรั่งเรียกแพชชั่นเนี่ยเขาก็จะทํางานได้อย่างทุ่มเทและมีความสุขนะมีความสุขจนกระทั่งคนต้องบอกว่าให้พราๆหน่อยเพราะว่าไม่งนันไม่ได้หลับไม่ได้นอนใช่ไหมใครที่ไม่มีแพชชั่นเนี่ยนะโอ้มันทำงานก็มีความทุกข์อ่ะ คนที่สัวเบื่อทำ ง, งานแล้วเบื่อเนี่ยนะมันแปลว่ามี passion ใช่ไท้อนะคำว่าสาหรับคนที่คนที่คนที่ passion เนี่ยคำว่างานหนักไม่ใช่ปัญหาใช่ไหมเพราะสอบเขาไม่สูวเป็นเขาไม่สัว เ, เป็นงานหนักเขายังสัวเขายังทำได้ต่อจนกระทั่งคนต้องมามาทวงมาติงว่าเฮ้ยักได้แล้วใช่ไหมอาจะมาว่าทุกการ การทำแล้วก็ตามน ะ, ะไม่อยากใช้คําว่าอาชีพแต่ยังนึกว่ายัางยังนึกคำคือไม่ออกนะคือจะทําแล้วก็ตามเนี่ยนะไม่ว่าคุณจะอยู่ในอาชีพใดเนี่ยมันต้องมี passion นะแม้แต่นักปฏิบัติธรรมก็ต้องมี passion นะถ้าไม่มี passion เนี่ยมันก็ทําแบบสังกตายนะนักปฏิบัติธรรมจำนวนมากพระจํานวนมากเนี่ยก็ทําปฏิบททัติธรรมแบบแบบว่าเหมือนกับเป็น เป็นความจำเป็นที่ต้องทำแต่ถ้ามีม passion เมื่อไหร่เนี่ยนะมันก็จะทำเช้ากลางวันเย็น passion เนี่ยจะหมายถึงฉันท้าก็ได้นะหมายถึงไฟไฟที่ทำให้เราเนี่ยมีความสนุกมีความรู้สึก อ, อยากจะทำและมองเห็นอุปสรรคว่าเป็นสิ่งท้าทาย ความยากลำบากไม่ใช่อุปสรรคเลยนะแต่เป็นความท้าทายมากกว่าท้าทายว่าเราจะข้ามมันได้อย่างไรเหมือนกับนักปีนปีงเขาตำนวนมากที่พอเห็นเขาแล้วเนี่ยใจก็ฟูเลยนะเพราะเขารู้สึกว่ากูจะได้ปีนแล้วเนี่ยนะเขาเนี่ย <c oughs> หลายคนเห็นเขาโอ้ยท้อนะหมดแรงแล้วนะนักปีนเขาเห็นเขาเนีมันมันมีอารมณ์มากเลยนะคือมีความสนุกมากเลยกูจะได้ปีนเขาแล้วเนี่ยนะ แล้วก็ต้องพยายามและปีนแล้วปีเราจนกระทั่งรู้สึกว่าเครื่องไม้เครื่องมือมัมนเยอะไปก็ต้องเอาเครื่องไม้เครื่องมือออกไปทีละอย่างทีละอย่างจนกระทั่งเหลือเหลือแค่มือเปล่าเนี่ยจะปีนเขาโดยใช้มือเปล่าได้ยังไงมันไปถึงขนาดนี้นะอันนี้เป็นเรื่องของท่าทีต่อ ง, งานอนตำมายุตุยยาเพื่อเชื่อชัยความสําคัญว่าไอ้มิติที่เรียกว่าฮาร์ดเนี่ยมันสําคัญมากนะไม่ใช่ในฐานะของ คนที่ทําอาชีพหรือว่าผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นนะแม้กระทั่งแม่ที่เป็นมนุษย์ด้วยมันก็ต้องมีตัวนี้อคราวนี้ท่านตมาจำจำแนกว่าสรุปจากที่พวกเราพูดมานะว่ามันมีเป็นการพูดถึงท่าทีอยู่4อย่างนะก็คือท่าทีต่องานท่าทีต่อคนท่าทีต่อความรู้และท่าทีต่อตอนเองเนะี่ยอ่าตมาขยายความสัน่อยเมื่อกี้เพูดเรื่องท่าทีต่องานใช่ไหมว่า เราต้องมี passion เราต้องมีเป็นชันทะหรือว่ า, าไฟที่อยากจะทำงานนะซึ่งมันจะทำให้เราเกิดความความรู้สึกความสุขในการที่ได้ทำนะภาษาภาษาชาวบ้านเริ่มมันทำแล้ว ม, มันใช่ไหมทำแล้วมันเนี่ยมันแปว่ามันมีมันเป็น passion แล้วหลายคนเนี่ยเขาค้นคว้าโดยที่เขาไม่มีผลตอบแทนอะไรเนี่ยเช่นบางคนก็ค้นคว้าเรื่องสาม ก, ก๊กจนกระทั่งรู้เรื่องทะลุ ป, ปูโกลมหมดนะบางคนก็ศึกษาประวัติของทีนลูบลิวพูแมนยูอย่างทะลุ ป, ปูป่โกลมประวัติของบิเทิลอย่างทะลุ ป, ปู่ปลมนะบางคนเนี่ยนะรู้แร็คเกอร์เทปเพลงแรกของบิทเทิลเนี่ยที่มันอัดขึ้นแผ่นเสียงเนี่ยนะอัดที่ไหนใครเป็นโปรดิเวเซอร์ใช่ไหม คนที่ศึกษาเรียกว่าสนุกกับทีแมนยู U เนี่ยก็จะรู้เลยว่าไอตอนที่ทีแมนยู U เนี่ยเอาชนะพริกคว่ำบบยน์ยูนิคได้เมื่อ20ปีที่แล้วเนี่ยจำได้ไหมฮะประวัติ90 90, 90 90นาทีตลอด90นาทีแรกเนี่ยไเยน์ยิงนำตลอด 1-0 ใช่ไหมแล้วต่อเวลาไป30นาทีแมนยูซัดไป 2-1 ชนะใช่ไหม <laughs> คนเนี่ยที่ทำเรื่องนี้เขารู้เลยว่าใครที่ยิงใครใครที่แมนยูคนที่ยิงไม่ได้รู้เป็นใครเท่านั้นนะรู้ด้วยว่ายิงเท้าซ้ายเท้าขวานาทีที่เท่าไหรนะ่ถามว่าเขาถูกบังคับหรือเปล่าที่ต้องศึกษาเรื่องนี้ยไม่มีใช่ไหมฮะมีผลตอบแทนหรือเปล่าก็ไม่มีแ้วก็ทําไปทําไ ม, ไมสนุกมัน ใช่ไหมฮะนี่ทำไมที่ว่านี่แล้วนี่คือสิ่งที่หล่อเลี้ยงคนนะบางทีเขอาจจะเบื่องานนะคนที่ว่านีเป็นแฟนพันธ์แท้เนี่ยเราจะเจอคนแบบนี้ในใ น, ในในรายการแฟนพันธ์แท้ใช่ไหมฮะมีเยอะแยะหมดทศ ก, กัรฐสามก๊กสุนทรผู้พุทธาทาสพิฆูมีนะฮะมีบางคนที่เชี่ยวชาญ ม, มาเริพุทธาทาสพิฆูมีคนเหล่านี้เนี่ยอาจจะเบื่อเบื่อการทางานเป็นช่างเป็นเป็นช่างตัดผมเป็น ทํางานออฟฟิศเนี่ยแต่เขามีเรื่องพวกนี้มันคือตัวหล่อเลี้ยงสิ่งที่หล่อเลี้ยงเขาไม่ได้ไปเที่ยวนะฮะไม่ได้ไปเที่ยวไม่ได้ไปไปช้อปปิ้งแต่การค้นควา้าอันนี้มันก็โยงไปถึงเรื่องท่าทีต่อความรู้นะมันมันเชื่อมโยงกันนะเพราะว่าเขารู้สึกว่าเขามีความใฝ่รู้เขาก็มีความสุขที่ได้รู้นะ เป็นตัวเยอะกันนะแพชชั่ที่มีต่องานเนี่ยมันมันมันส่วนหนึ่งมันเกิดจาก p พ s s i o n หรือว่าฉันทะที่มีต่อความรู้และคนเราเนี่ยถ้ามีถ้ามีถ้ามีความรู้สึกแบบนี้ต่อความรู้เนี่ยนะเขาจะมีความสนุกมากกับการรู้และเขาพร้อมที่จะเปิดรับความวิพากษ์วิจารหากว่าสิ่งที่เขารู้นี่มันผิด หลายคนเนี่ยเวลาทนไม่ได้นะเลยเพราะนักวิชาการอาจารย์เนี่ยมีคนปรึกษาทำไมเยอะเลยนะพวกอาจารย์ทําไมา e <ล>อีโก้เยอะเหเกินวิจารย์ก็ไม่ได้เลยนะไม่ได้วิจารย์เรื่องส่วนตัววิจารณ์ในเรื่องความรู้เนี่ยเรื่องเนี่ยทำไมเราถึงทุกมากในการที่มีคนเนี่ยมาบอกว่าสิ่งที่เราสิ่งที่เรารู้มาเนี่ยสิ่งที่เราคิดมาเนี่ยมันมีข้อผกพร่องคนที่เขาเอาความรู้เป็นหลักเนี่ยถือว่าความรู้เป็นใหญ่เนี่ย เขาจะรู้สึกมีความสุขเมื่อมีคนชี้ว่าความรู้เนี่ยที่เขามีเนี่ยมันมีข้อบกพร่องเมื่อมีคนแนะนําให้เข้าเห็นความรู้ที่ดีกว่าเขาจะมีความสุขเพราะเขามีความใฝ่รู้ความโกรธเกิดขึ้นเพราะเราเอาตัวตนเปที่ตั้งใช่ไหมเราไม่ได้เอาความรู้เป็ที่ตั้งถ้าเราเอาความรู้ไปที่ตั้งเนี่ยยิ่งรู้เท่าไหร่ยิ่งมีความสุขแม้ว่าความรู้นั้นจะมาด้วยวิธีใดแม้กระทั่งมาจากคําแนะนํารือวิจารณ์ วิชาดอกคิงเนี่ยแกเป็นแกเป็นนักเขียนมีชื่อมากด้านแกเป็นผู้แกเป็นคนที่เสนอแนวคิดเรื่องเซิร์ฟฟิชยีนเซิร์ฟฟิชยีนคือยีนที่เห็นแกนตัวแกบอกว่ามันไม่ใช่สปีชีนนะที่ที่ดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดมันไม่ใช่เป็นเรื่องเซิร์ฟวายเวอร์ออฟเดอะสปีชีมันเป็นเรื่องเซิร์ฟวายเวอร์ออฟเดอะยีนและยีนเนี่ยมันจะทำทุกอย่างเพื่อที่มันจะอยู่รอดได้ถ่ายทอดได้ และเดวคิดเรื่องเซลล์พิษยีเนี่ยมันเป็นที่ยอมรับกันมากขึ้นนะว่ามันอธิบายได้หลายอย่างว่าทำไมคนเรามีพฤติกรรมไอ้ทำไมสัตว์เนี่ยมันถึงมีพฤติกรรมแปลกแลนะมันเป็นมเป็นพฤติกรรมในระดับยีเลยนะไม่ไม่ใช่ระดับสปีชีส์นะและหน่วยดูนิตออฟเซอร์ไบเลเนี่ยมันไม่ใช่สปีชีส์ต่อไปมันเป็นเรื่องของยีไปเลยและริชชี่ชาต่ออฟกินเล่ยเล่าะสมัยที่แกเป็นอาจารย์แกที่เป็นนักศึกษาอยู่ที่มาลออฟฟอร์เนี่ย 50ปีที่แล้ว ม, มีอาจารย์คงหนึ่งเป็นผู้เชีบุคคลเลยอายุประมาณ60ได้ด้าน s ูรูจีศูนยรูีคือว่าสตาวิทยาสมัยนั้นเนี่ยต้องเข้าใจนะว่าไอ้เรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเซลล์ของคนเรามีความรู้จำกัดเพราะว่าไอ้กล้องจุลทรรศน์เนี่ยมันกำลังขยายมานน้อยแล้วมีนมคมนนึงเสนอว่ามันมีส่วนประกอบในในเซลล์ที่ชื่อว่าโกงกิบตัส อาจารย์คนนี้นดอกกินกันไม่ได้เอ่ยชื่อนะแกก็ทั้งเขียนทั้งทั้งบรรยายแล้วก็ทั้งวิจัยและตลอดส5บ้าปีเนี่ยแกบอกว่ามันไม่มีจริงเป็นสมมติฐานที่ไม่มีหลักฐานทั้งเขียนทั้งพูดนะสิบห้าปีเขียนบัรแล้วก็บรรยายด้วยแ ล, วแล้วก็เราเขียนเป็นตำรา ด, ด้วย แล้ววันหนึ่งเนี่ยก็มีอาจารย์หนุ่มคนนึงนักวิชาการหนุ่มนึงชาวอเมริกันมาบรรยายที่ Oxford, าาออกซฟอร์ดคณะแกนสูรโจรีเนี่ยเอภาพวิชานี้เลยแล้วก็เอาหลักฐานมาเชื่อเลยนะว่าสิ่งที่เียกโกลเย่พรารัสเนี่ยมีจริงศาสตราจารย์คนนั้นเนี่ยอยู่ในห้องประชุมนั้นคุณนึกภาพออกไหมมีคนหนุ่มมาบอกว่าไอ้ที่คุณนึกที่คุณพูดมาทั้งหมดเนี่ยมันมันไม่จริง เมื่อเมื่ออาจารย์หนุคนั้นพูดจบนะศาสตราจารย์คนนั้นเนี่ยลงมาหาอาจารย์ค น, นนี้ชัดเช็ดแทนขอยอยมือระบอกขอบคุณพ่อหนุนะ <c oughs> ผมถิดมาถึงสิบห้าปีแกไม่รู้สึกว <c oughs> ่าแกหน้าแตกนะถ้าเป็นเราเนี่ยถ้าเป็นคนทั่วไปในสิงว่โอ้โมฉีดฉ <c oughs> ีดเราตอนหน้าทารกกำนันเลยนะแต่แกเมื่อสุดเสียหน้าเลยนะ แกรู้สึกโกรดแกรู้สึกน้าแตกแกกับวลว่าเออแกได้ความรู้กูได้ความรู้ใหม่แล้วเว้ยไปขอบคุณคนหน่อยแล้วก็ไปบอกด้วยว่าเออขอบคุณนะเนียผมผิดพลาสิบห้าปีคือเสาวแกมีตัวตนน้อยมากใช่ไหมฮะคนที่มีตัวตนน้อยมากเนี่ยเพราะอะไรฮะเพราะว่าเอาเอาความรู้เป็นใหญ่พอเอาความรู้เป็นใหญ่เนี่ยนะ พอใครมาชี้ช่องว่าความรู้ที่ถูกต้องคืออะไรเนี่ยนะถึงแม้ว่ามันจะไม่ตรงความรู้เดิมแล้วถึงแม้มันจะขัดแย้งกับความรู้ที่เราสอนเราก็จะขอบคุณเขาอันนี้ตรงกับที่พระเจ้าเรียกว่าสัจจารู้รักนะสัจจารูรักคือการอนรุรักษ์สัจจา ก, การคุ้มครองสัจจากาหมายถึงว่าท่าทีต่อสัจจา ก, ก็คือว่าเราจะไม่ปูกขัดความรู้และเราจะไม่ไม่มองว่าใครที่รู้ใครที่คิดต่างจากเราเนี่ยผิด ใครที่เห็นตัดจะทำไม่ถูกต้องใครที่ใครที่อทําให้เรารู้มากขึ้นนะเราต้องขอบคุณเขานี่ยจะมาช่วยเป็นท่าที่ต่อความรูนะ้ซึ่งเราต้องมีนะแล้วก็จะมาช่ว อ, อาจารย์แพทย์หรือแพทย์ทุกคนเนี่ยนะยิ่งเรามาทํางานด้านวิชาการต้องมีตรงนี้คือเอาความรู้เป็นใหญ่นะแล้วเมื่อเราความรู้เป็นใหญ่ตัวตนเราจะเล็กลงแต่ถ้าเราถ้าเราเอาตัวตัวเป็นใหญ่เมื่อไหร่ความรู้จะเป็นเรื่องรอง เราจะฟักกันนะเพียงเพราะว่าอีกฝ่ายน่งเนี่ยนะไม่เห็นด้วยกับเราใช่ไหมะอาตมาเชื่อ ว, ว่าถ้าเรามีความฝ่รู้เนี่ยมันจะมันทำให้การบอาจารย์แพทย์หรือการเป็นนักศึกษาแพทย์มีความสุขนะที่ได้ที่ได้เรียนรูมน้มากขึ้นมากขึ้นะเจอ assignment ที่มันยากยากเนี่ยจะไม่บน่นไม่โวยวายจะไม่หาทางรับไม่มีทางไปไม่ใช่จะไปคัดลอกกัน แต่ว่าจะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องท้ า, าทายทต้องหาคําตอบมาให้ได้แม้เหนื่อยก็ทําเพราะว่ามันเป็นเรื่องท้าทายเป็นเรื่องที่น่านตื่เต้นอาจามาคีดว่าเนี่ยมันต้องมีมันต้องมีมงมท่าที่ต่อความรู้ต้องเป็นแบบนี้ครับซึ่งเป็นท่าทีต่อความจริงก็คือว่าสิ่งที่เรารู้เนี่ยถ้าเราล่วงมันผิดมันไม่ตรงความจริงแล้วก็พร้อมที่จะสลับแล้วเราก็พร้อมที่จะรับความรู้ใหม่ เพราะเราเห็นว่ามันใกล้เคียงความจริงมากที่สุดเรื่องความรู้กับความจริงมันคนละกันนะแต่ว่าก็ถือว่าเป็นอันเดียวกันได้ถือว่าเป็นใกล้เคียงกันความรู้ความจริงโคนละนะแต่ว่ามันใกล้กันมากถ้าเรามีท่าจิตความรู้ในลักษณนี้เนี่ยคือเป็นผู้ฝ่ายรู้เนี่ยเราจะเราจะมีความสุขในการที่ได้เรียนรู้นะและก็ยงมันทำให้การทํางานมีความสุขนะ แล้วมันจะทําให้ท่าทีต่อต่อต่อต่อคนเนี่ยนะมันรุ่มรวยขึ้นคือท่าทีต่อคนเนี่ยอาตมาเ ห, เห็นว่ามันต้องอย่างที่หลายคนพูดนะอย่างที่หลายกลเพื่อคือต้องมีเมตตาต้องมีความเสียสละนะไม่ว่าจะเป็นลูกศิษย์ไม่ว่าจะเป็นคนไข้ไม่ว่าจะเป็นชุมชนนะความไม่จิตอาสาอันนี้เป็นท่าทีที่ควรมีในการสัมพันธ์กับผู้อื่น นะแตถ่ถ้าเราเนี่ยมีท่าทีต่อความรู้อย่างนี้ด้วยเนี่ยมันยิ่งสนุกเพราะการการสอนการสอนการสอนหนังสือกับเด็กเนี่ยให้ให้นักศึกษาเนี่ยมันจะมีความสุขนะเพราะว่าเราจะพยายามที่จะกระตุ้นให้เกิดการถกเถียงกันนะเราจะไม่ใช่เพียงแค่พูดเพื่อให้เด็กจําสิ่งที่เราพูดแต่ว่าจะต้องหาทางที่ทำให้นะการ ความรู้เนี่ยมันแตขแหนงมันงอกเงยออกไปจากการที่ถ่ายทอดออกมาแบบโมโนโล็อกเนี่ยมนันต้องกลายเป็นเรื่องการกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ในมูอศิ์และเวลาไปทำงานชุมชนนะั้นก็จะสำคัญนะเพราะว่าถ้าเราายรู้เนี่ยนะการทำงานในชุมชนจะเป็นเรื่องที่ท้าทายและสนุกไม่ใช่ภาระเพราะว่า มันจะมีโรคมันจะมีโรคหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นในชุมชนที่ท้าทายความสามารถของเราอาตมาชื่วยอะไรนทุกชุมชนเนี่ยมันจะมีโจทย์ใหม่ๆที่ไม่เหมือนที่ไม่เหมือนที่อื่นแล้วถ้าเราไ ม, ไม่ไม่พอใจเป็นแค่ว่าเออแก้โรคหวาดโรคความดันให้เขาโรคเบาหวานให้เขาเนี่ยคุณลองคิดดูว่ามันมีโรคใหม่ๆอะไรบ้างที่มันเป็นลักษณะที่ที่มัน อ, อ อาจจะไม่เหมือนใครในที่อื่นใช่ไหมฮะรือแม้กทั่การวิธีการรักษาอย่างไงที่มันจะเหมาะแทนที่จะต้องรักษาด้วยด้วยด้วยเครื่องคราวต่างๆซึ่งชุมชนไม่จะไม่อาจจะฟื้นได้การพัฒนาการพัฒนาเครื่องไม้เครื่องมือที่มันเหมาะชุมชนที่ช่วยในการเยียวยาได้ว่าแม่คนไข้นั้นเนี่ยจะเป็นโรคอะไรหรือว่าอยู่ในะระยะ ระยะอะไรก็ตามมันก็ระยะสุดท้ายเนี่ย ท, ทําไมจะต้องระยสุดท้ายต้องมาที่โรงพยาบาลเสมอไปทําไมเป็นไปได้ไหมที่ระยะสุดท้ายเนี่ยก็อยู่ที่บ้านได้แม้เขาจะต้องใช้มอร์ฟีนเนี่ยเขามีการเหนื่อยหอบแล้วต้องใช้มอร์ฟีนเราจะมีเครื่องไม้เครื่องมือที่ช่วยทําให้เขาได้รับมอร์ฟีนแบบแบบที่มันหมอะกับชาวบ้านได้ไหมตอนนี้เนี่ยนะ เดี๋ยวนี้เนี่ยการที่คนไข้เนี่ยจะไปจะไปตายที่บ้านเนี่ยแล้วก็โดยมี ist, ยมอร์ฟ er er er ีนค่อยๆหยดไปทีละนิดทีละนิดทำได้แล้วแต่มันแพงมากถ้มอร์ฟีนไรฟ์เนี่ยเครื่องนึงเลียกางสาม0มื่นฮะแ ล, ะล้วโรงพยาบาโลโรงพยาบาลในในในโรงพยาบาลจังหวัดในใ น, ในบางจังหวัดไม่มีเครื่องนี้นะฮะต้องไปจดยืมมาจากหมอหมอสีเวียงขอนแก่นใช่มะแล้วเครื่องมันแค่นี้มันส0มืี่ยแล้วชาว บ, บ้านนี่จะมีปัญญายัางไง สมัยที่หลวงพ่อเขียนไม่สบายนะฮะเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเราต้องไปยืมมาจากหมอสีเวียงนคะขนแก่นเนี่ยนะพอหลวงพ่อมาแล้ภาพก็มีคนยืมต่อไปคนที่ยืมนี่ไม่ใช่ชาวบ้านนะโรงพยาบาลโรงพยาบาลหนึ่ ง, ง, นนงทั้งจังหวัดไม่มีเครื่องมือนเนี่ยแล้วถ้าภาษากับชาวบ้านเนี่ยสมสมติเออเราคือเลือเรื่องเป็นเรื่องทั้ายว่าเออโจทย์ใหม่ของเราเนะีคือว่าจะจะให้ชาวบ้านเนี่ยเขาสามารถจะตายตายที่บ้านโดยที่ว่าเขานะ ไม่ต้องมาช่วยโงพีบาลก็ได้แม้ว่าเขาจะเหนื่อยขอแม้วาเขาจะปวดนะมันก็มีวอลฟิ้งอยู่แล้วที่ทำได้อันนี้เป็นต้นเล็นี่คือโจทย์นะซึ่งถ้าเราถ้าเราเป็นคนที่ใฝ่รู้เนี่ยโอ้มันมันสนุกมากเลยการอยู่ชุมชนเนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่ที่มีความหมายมันไม่ใช่เพียงแค่ว่าเสียสละไม่ใช่แค่จิตอาสาเท่านั้นนะแต่มันต้องเติมด้วยความใฝ่รู้และการทางานงชุมชนเนี่ยมันจะสนุกใช่ครับ ใครก็จะเป็นใหญ่เป็นโตไปเข้าสู่กระทรวงอะไรเออก็เป็นเรื่องเขาใช่ไหก็จะมีความสู่การที่มีซีซีมากขึ้นหรือว่ามีลำแหน่งมากขึ้นแต่ว่าเรายังมีความสู่การที่ได้พัฒนาความรู้ในเรื่องการช่วยเือชาวบ้านนะฮะนีเป็นต้นนะนี่เป็นเป็นเรื่องธาตุทนะฮะเอ่อธาตุทีต่อคนธาติต่อต่อลูกศิษย์ธาตุ ท, าทีต่อคนไข้แนละ้วก็พุดแล้วก็ชมุมชนธาตุ ท, ทต่อตัวเองก็สําคัญนะฮะถ้าเรามองว่า มนุษย์เราเนี่ยนะการมนุษย์เราเนี่ยมีภารกิจคือการที่จะขัดเกลาตัวเองนะพัฒนาตัวเองทำให้ตัวเองมีความสุขด้วยการเสพให้น้อยลงสละให้มากขึ้นความสุขมันมีสองสองวิธีนะครับสุขจากการเสพ ส, สุขจากการละยุคบริโภคนี่เราบ่าคุณจะสุขได้คุณต้องมีเยอะๆใช่ไหมต้องมีรถ หลายคันต้องมีบ้านหลายคันหลายหลายหลังต้องมีเงินมากมากแต่ความสุขทางใจนะ้นเกิดจากการสละอันนี้เราสุขทางธรรมนะยิ่งสละไปถึงขั้นสละอัตตานะไม่ใช่ไม่ใช่สละสิ่งของที่เรียกว่าทานไม่ใช่สละแรงกายที่เรียกว่าจิตอาสาแต่ว่าสละแม้กระทั่งสิ่งที่มันไม่ดีเช่นความโกรธความเห็นแก่ตัวความยึดติดตัวตนนะอีโก้ถ้าเราคิดว่า ตรงหมายควาคือเราเนี่ยคือการสละอิโก้ให้มันลดน้อยที่สุดเนี่ยไอ้สิ่งที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยมันจะเป็นการเสริมนะมันจะทําให้การทํางานเนี่ยไม่จะเป็นการทํางานกับสิ่งการทํางานงชุมชนหรือว่าการหาความรู้เนี่ยมันจะเป็นส่วนในการที่จะลดละอัตราขัดเกล้าจิตใจนะมัน ก, ก, ก็การปฏิบัติทําไปในตัวเ น, นี่ยจำเพื่อท่านกุ้ยนานแล้วว่าการทํางานคือการปฏิบัติธรรม แล้วถ้าถ้าเรามองแบบนี้นะไม่ว่าทำอะไรเนี่ยมีแต่ได้แม้รักษาคนไข้แล้วคนไข้ตายนะมันก็ยังได้ได้ประการแรกคืออย่างแรกก็ได้ช่วยเขาไปสงบใช่มสองมันก็ช่วยลดราดตาเราหรือว่าทำให้เรามีความรู้มากขึ้นในการที่จะรักษาให้ได้ดีขึ้นนะหลายคนเนี่ยพอทำงานล้มเหลวก็ ตัวก็รู้สึกล้มเหลวด้วยพองานล้มเหลวตัวก็ล้มเหลวรู้สึกว่ากูล้มเหลวกูไม่มีค่านะแต่ถ้าเรามองว่าการทํางานก็มีส่วนในการขัดเกลาขัดเกลาตัวเราพัฒนาตัวเราไปด้วยเนี่ยอย่างที่กมสุดท้ายพูดเนี่ยถึงแม้งานล้มเหลวแต่ว่ามันก็ยังได้อย่างหนึ่งนะก็คือได้พัฒนาขัดเกลาตัวเอง ถ้าคิดอย่างนี้เสมอนะมันจะไม่มีควาว่าไม่มีควาว่าล้มเหลวไม่มีควาว่าเสียเพราะยังไงก็ต้องได้หนึ่งและถ้าบางครั้งก็ได้สองก็คืองนานก็สำเร็จใจเราก็ได้รับการขัดเกลาด้วยทางพระเราเรียกว่าประโยชน์ตนประโยชน์ท่านทำอะไรก็ตามเนี่ยควรให้ได้ทั้งประโยชน์ตนและประโยชน์ท่าน แต่ถ้าบางครั้งทําแล้วเนี่ยประโยชน์ท่านไม่ได้เพราะว่ามันยากมันล้มเหลวมันลาบากแต่น้อยที่ได้แน่ๆคือประโยชน์ตนประโยชน์ตนที่ไม่ได้หมายถึงชื่อเสียงรากสัพการลากแต่หมายถึงความสุขภายในหมายถึงคุณภาพจิตที่รับการพัฒนามากขึ้นอันมาชื่อว่าปัญหาการการกา ร, การทํางานมีความสุขนะโดยที่มุ่ง ไปที่การช่วยเหลือผู้อื่นคือช่วยแล้วมีความสุขแม้ว่าจะไม่ได้อะไรตอบแทนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ท้าทายมากว่าทำยังไงเนี่ยนะเราถึงจ ะ, ะไม่ไม่ไม่พึ่งไม่เอาความสูงของเราเนี่ยไปผูกติด <c oughs> อยู่กับการได้โดนได้ดี แต่มีความสุขการเราได้สลาบไปทิละน้อยทิละน้อยทิละน้อยหมีความสุขการที่ได้ช่วยอย่างจะมาไว้แล้วว่าความสุขมีสองแบบมาสุขจากการได้และสิ่ง ก, การที่เราสลากหรือจากการช่วยนะมันน่าแปลกว่าคนเราเนี่ยมีสองอย่างในตัวนะฮะมันมีมันมีเหตุการณ์เล็กๆเหตุการณ์หนึ่งนะ คือมันมีสมามคมผู้เกษียณในอเมริกาเนี่ยขาต้องการเขาต้องการทนายความเนี่ยมาให้การปรึกษาแก่สมาชิกแล้วก็เลยมีการติดต่อทนายความหลายคนในอเมริกาว่าจะช่วยลดคุยช่วยลดค่าธรรมเนียมได้ไหมค่าบริการเนี่ยสมมติ ชั่วโมงละร้อยเนี่ยร้อยเหรียญเนี่ยขอให้ลดเหลือ3าสิบเหรียญได้ไหมก็ไปติดต่อทนายความคนเล่าคนเล่าส่วนใหญ่ทนายความปฏิเสธนะก็ก็เกิดจากับควงการนี้แล้วแต่ว่าประธานนาสอบคุณหมอเอาแบบนี้สิคุณไปขอเขาใหม่บอกขอให้ทนายความเนี่ยมาช่วยให้คำปรึกษาฟรีฟรีฟรได้ไหมช่วยคนแก่ ไอคนไปติดตอ่มอมังกมันก็คิด่เป็นไปได้ยังไงขอให้ลดสามสิบยังลดมันไม่ยอมลดเลยใช่ไหมแต่ก็ทำนะราะกับว่าพอไปขอนะทนายความบอกให้มาช่วยไปจิตอ า, าสาได้ไหมมาช่วยให้คำแนะนำทางกฎหมายเนี่ยฟรีฟรีได้ไห ม, ม, ชนนมเหมชื่อไหมส่วนใหญ่โอเคทำไมอธิบายไว้อธิบายว่าอย่างไรนะ ที่สวิสเนี่ยมันมีมันเคยมีที่เมืองเมืองหนึงนะที่เขาคือเขามีครงเอาเอาเอาพวกขยะเนี่ยเอาขยะเนี่ยจะมาทิ้งก็จะก็จะมีการคือนะเป็นการทิ้ง <c oughs> การนิวเคลียร์ใช่ไหมเหมาไว้ที่หมอมจะมาไว้ที่หมู่บ้านหนึงในในในสวิสนะซึ่งมันเหมาะมาในทำเลที่เหมาะก็มีการทำประชามติประมาณ 50% เนี่ย 50.8% นต ไม่เห็นด้วยถ้าสิบจุดไปก็ครึ่งครึ่งนะพูดง่ายนะครึ่งครึ่งไม่เห็นด้วยที่จะมีครึ่งครึ่งไม่เห็นด้วยนี่แสงมันเยอะนะก็ทํายังไงจะทําให้ไอห้าสิเปอร์เซ็นเนี่ยมันลดลงเหลือสักกี่สิบเปอร์เซ็นก็เสนอว่าเอาไปให้ค่าตอบแทนก็ไปถามคนที่ไม่เห็นด้วยนะห้สิเอร์เซ็นเนี่ยบอกว่า ถ้าเราจะให้ค่ า, า, าตอบแทนคุณเนี่ยประมาณ ส, สมมติว่าเอาว่าปีละห้าพันฟรังนะตัวเลขมันน้อยแต่ว่าเอ า, เอาประมาณเนี่ยนะถ้าเราจะให้คุณห้าพันฟรังนเนี่ยคุณจะยอมไหมอบอกกัว่าคนที่ไม่เห็นด้วยนี่กลับเพิ่มมากขึ้นนะไม่ได้ลดลงนะเขาคิดว่าเอ๊ห้ันฟรังน้อยไปนะ 5,000 ันฟรังประมาณสองพันดอลลาร์สี่พันเอาไหม คนไม่เห็นด้วยก็ยิ่งมากขึ้นแล้วคนที่เห็นด้วยก็น้อยลงจากเดิมเห็นด้วยห้าสิเปอร์เ็นตนั้นเหลือสักยี่สิบเปอร์เซ็นะน์้วเอาหกพันฟรังไวแล้วกันเอาหกพัน 6, ดอลลาร์แล้วกันหกพันดอลลาร์ประมาณก็ประมาณเกือบหมื่นห้าพันฟรังนะบอกกัว่าคราวนี้มีแค่คนเดียวที่เห็นด้วยนะคนก็สงสัยไอ้ทำไมได้เงินมากเนี่ยกับกับไม่เห็นด้วยไอ้สองเรื่องนี้มัน มัเป็นเรื่องเดียวกันนะคือมันมีความอธิบายนี้นะตำมาว่า น, น่าสนใจมีการทดสอบนะใช้ใช้เครื่องใช้เครื่องสแกนสมองนะให้คนเนี่ยเล่นเกมนะเล่นเกมเกมจะให้เป็นเกมคอมพิวเตอร์เนี่ยนะ บอกว่าถ้าเกิดว่าเห็นเห็นเห็นรูปสี่เหลี่ยมเห็นรูปวงกลมนะแล้วถ้าคุณยิงนะคุณได้ห้าสิบเซนตแต่ถ้าคุณเห็นสามเหลี่ยมนะคุณยิงไปคุณไม่ได้อะไรนะแต่ถ้าคุณเห็นสี่เหลี่ยมคุณยิงไปนะคุณเสียนะแล้วก็สังเกตนะสมองมันทำงานยังไงพว่าเวลาสมองเนี่ยเห็นไอไอไอวงกลมเนี่ย สมองส่วนหนึ่งที่เขามันมีสมองตัวนึงมันมีสมองส่วนที่มันสว่างแต่ถ้าเจอไอ้สามเหลี่ยม น, นะซึ่งก็ตกลงถือว่าคุณทําไปก็ไม่ได้เงินนะไอ้สมองส่วนนี้เนี่ยก็ดับไม่ทํางานคือสองบสุดท้ายแล้วก็พบว่าเอาเอ า, เอายา่อๆนะก็พบว่ามันมีสมองเรียกเป็นศูนย์กลางนะแห่งความอพ่นปอใจ สมการนี้เนี่ยนะมันชื่อว่าอะไรนะตมามันชื่อว่าหนึ่งคริสแอคคัมเบนยูคริสแอคคัมเบนคือมันเป็นสมองส่วนที่เวลาถ้ามันได้เสพอะไรบางอย่างนี่มันจะทำงานเสพที่ว่านี่นะมีตั้งแต่ยาเสพติดเหล้าการพนันเซ็ แล้วก็ลงถึงเงินด้วยเวลามันเวลาเวลามีอะไรที่เกี่ยวข้องเวลามีอะไรที่เกี่ยวข้องเงินนี่นะมันจะสว่างเลยนะแต่ขณะเดยกันเข้าไปพบว่ามันมีสมองอีกส่วนหนึ่งนะชื่อเขาเรียกว่า posterior superior ครับแล้วก็ posterior superior แล้วก็ south car Posterior, Superior นะแล้วก็ t e m p บอ s o u เ h าคัด hmm. เขาเรียกนะ่าเป็นศูนย์แห่งการช่วยเหลือผู้อื่น mm hmm. เวลาเวลามีใครนะเกิดร้อนเนี่ยหรือมีใครมาขอให้ช่วยอะไรนีนะไอ้ตัวนี้มันจะทำงานอันนี้จะมาพูดแบบย่อๆนะครา้นี้เนะี่ยมาอธิบายมาอธิบายอธิบายเรื่องทนายความคนนี้ยงนะังไงธิบายเรื่องทนายความที่ว่า $30 ดิดอลลาร์ไม่รับแต่ว่าขอให้ทำฟรีที่รับ ก, ก็เพราะว่าเวลาเอา30ดิดอลลาร์นีไปเสนอเนี่ยไอ้ศูนย์ศูนย์แห่งความพอใจเนี่ยมันก็จะทำงานแล้วมันก็จะคิดว่าไม่มันต่างไปกูเคยรับร้อยรับ3าสิบเนี่ยไม่คุ้มมันจะคิดใน่เรื่องความคุ้มไม่คุ้มและมันสามสิบก็คือไม่สูดใช่แต่เพราะถ้าแต่เขาไม่พูดเรื่องเงินเลยนะมาพูดเรื่องว่าจะไปช่วย คนได้ไม้คนแก่เนี่ยเขาเดือดร้อนไม่มีใครให้คำแนะนำปรึกษาไอ้ศูนย์ตัวที่ช่วยละาผู้นี้มันจะทำงานนันก็จะบอกว่าเอาสิใช่ไหมในกรณีสวิสหมู่บ้านสวิสเหมือนกันนะคือเวลาจะาเวลาตอนที่มาปรึกษารัฐาปรึกษาว่าเออไอขยะนิวเคลียร์เนี่ยนะถ้ามาทิ้งไว้ที่หมู่บ้านเราจะเป็นยังไงมันก็มีการช่างตองระหว่างประโยชน์ระหว่างว่า ไอ้อ น, นี่มีประโยชน์กับมีประโยชประเทศชาติไหมความคิดว่าเออบังคับว่ามันมีปรีโยชประเทศชาติเราก็ต้องยอมเสียสละนะมันก็ทําให้คนมา50สเปอร์เซนี่ยยอมใช่ไหมเพราะว่าไอ้ไอ้ศูนย์ทําหน้าที่เรื่องการช่วยความเสียสละนี่มันทำงานมันก็บอกว่าเออเราต้องยอมเสียสละนะแต่พอเอาเรื่องเงินเข้ามานะมันก็จะคิดแล้วออระหว่าง ระหว่างการที่เราได้เงินมา5้าพันฟรังกับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นคุ้มไหมก็ต้องไม่คุ้มเพราะตอนนี้มันคิดแต่เรื่องตัวเองแล้วเนี่ว่าได้มาห้าพันฟรังใช่ไหมแต่ว่าเสี่ยงกับการที่จะเกิดปัญหาต่งางๆตามมากู ไ, ม, ไ ม, ม่คุ้มอ่ะไม่ไม่คุ้มกูไม่เอาดีกว่าใช่ไหมคือมันจะคิดแต่ในแง่ในแง่ตัวเองซูเนี่ยทำหม้าที่แต่ที่แต่ในแง่ของประโยชน์ส่วนตัวเองเดียวเลยแั้นวยิ่งให้มาเนี่ยก็ยิ่งสูมไม่คุ้มใช่ไหม อันนี้ผู้ใหญ่เวีสาระพู ด, งงนะพดแต่พูดอ่างเ แ, แบบแบบแบบแบบธรรมะาคือว่าคนเรามันก็มีทั้งความหึงแหนตัวแล้วก็มีทั้งความเมื่อเออเฟือความเสศรัทธาเราทุกคนก็มีลูกศิษย์เราทุกคนก็มี ท, ทํายัางไงเราถึงจะปลกไอ้ตัวไอ้ตัวไอ้ตัวศูนย์แห่งความผึงศูนย์แห่งความเสศรัทธามันขึ้นมานะหรือว่าทําไงาเราจะตื่นความฝ่ายดีให้มันขึ้นมานะ ตอนนี้เหตุปัจจัยตายเนี่ยมันมันคอยจะกระตุ้นเราให้ความเห็นแก่ตัวหรือคอยจะกร ะ, กระตุ้นเราศูนย์แห่งความพึงพอใจใช่ไหมมันถูกกระตุ้นตลอดเวลาเนี่ยมันก็เลยมองว่าการเรียน เ, นยเป็นเรื่องที่ขัดขวางความสุขของเขาระหวที่เล่นเชือกไปก็เล่นลายไปใช่ไหมฮนะเพราะนั่นแหละคือความสเขขอ ง, ง, งมันถูกกระตุ้นได้ศูนย์ศูนย์แห่งความสุขมันถูกกระตุ้นนะครับแห่งความพึงพอใจ ทำไมเราถึงอยากกระต้นไอ้ไอศูนย์แห่งความเพื่อสร้เกิดแขกขึ้นมาหรือว่าความฝ่ายดีขึ้นมาเนี่ยตะวันเป็นไปได้นะและ้วกระทั่งเรียนกรณีเนี่ยทนายความเนี่ยนะคือเขาก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ไม่ได้ผ่านการรวมตัวที่จะทำอะไรมานะแต่เขาก็มีความฝ่ายดีพอเข้าถูกช่องนี้นะเขาทําให้ฟรีเลยใช่ไหมฮะอนเอาไปแล้วเดี๋ยวต่วันชื่ว่า ถ้าเราพยายามที่จะกระตุ้นส่วนนี้เนี่ยส่วนพลังฝ่ายบวกหรือว่าความฝ่ายในใจในตัวเราให้เป็นมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ทําให้มันเกิดขึ้นในลูกศิษย์เนี่ยมันก็จะการทํางานก็จะมีความสุขการเรียนรู้ก็จะเป็นความสุขด้วยในทางด้าอศาสนาเนี่ยความสุขความดีความจริงเนี่ยแยกจากกันไม่ออกนะฮะความสุขความดีความจริงและหมอเนี่ยก็เป็น โดยเรียกว่าโดยอาชีวปฏิปฏิทานอาชีวป ฏ, ปฏิยาเนี่ยก็คือการที่เข้าถึงความจริงของความเจ็บไข้ได้ป่วยและการมีสุขภาพดีการที่เราพยายามที่เข้าถึงความจริงตรงนี้เนี่ยต้ออาศัยการเรียนรู้และความรื้จะเกิดขึ้นได้ต้องมีความสุขเป็นตัวหล่อเลี้ยงแต่ความสุขจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องอาศัยความดีเข้ามาเป็นตัวหนุนด้วย ถ้าว่าเราสามารถที่เชื่อมโยงแล้วก็เอาสามตัวนี้เข้ามาเชื่อมโยงให้ได้เนี่ยความสุขความดีความจริงเนี่ยอัตมาว่าการทํางานเนี่ยมันก็จะให้ผลดีและคนทําก็จะมีความสุขด้วยแล้วถ้าว่าสามารถทําให้นักเรียนนักศึกษาได้เห็นตรงนี้ได้มีตรงนี้เนี่ยนะสำหรับว่าความดีมันสาคัญอย่างความดีในที่ี่หมายถึงคุณธรรมนะอินติกริตความซื่อสัตย์นะความเสียสละความเอื้อเฟือ้อ มันทำให้เกิดความสุขอย่างไรและการเรียนรู้ทําให้เกิดความสุขอย่างไรก็ทําทให้เขาเนี่ยเป็นผู้ที่ฝ่ายรู้มากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เป็นหมอที่ดีเศรษ า, าสตร์ก็ขุดมากขึ้นก็สมาก็คงไม่มีอะไรจะเสริมผมไม่มีอะไรจพูดนอกจาว่าเสริมที่ที่พวกเราพูดนี่แหะนะเพรคมยุติเท่านี้ เข้ามามีไอ้อะไรพพอะไรพวกเนี้ยเข้ามานี้อันนี้มันมันลดทอนพลังของความร่วมมือความสุขมากๆากเลยอันนี้ก็ น, นรรษัทอาจารย์ก็ได้แบบอธิบายให้เราเห็นชัดด้วยใช่ไหมคะว่าบางครั้งถ้าเราสร้างเหตุแล้วเราคิดว่าไอ้เหตุเนี้ยมันน่าจะแบบเกื้อกูลทำให้อะไรต่างๆมันดีขึ้นมันแก้ปัญหาแต่ว่า เราไม่ได้เข้าใจร่างของปัญหาที่แท้จริงย่างทีมัปกะกลายเป็นปวดก่อนมีเกิดขึน้นได้มีไหมคะใครอยากจะถามหรือแบ่งปันเชิญค่ะอาจารย์หมอที่คุ้มที่ราชบุรีการทำพมธีกรรมของพ่อครับ เราเป็นอาจารย์แพทย์เราไม่ได้สอนคนรุ่นเดียวกันเท่านั้นส่วนใหญ่เราสอนนักเรียนแพทย์ซึ่งเป็นอ e ีกเจเนอเรชันท้าทางผมจะไปลกและสอนอ e ีกเจเนอเรชันหนึ่งซึ่งก็เป็นอีกแนวคิดหนึ่งธรรมะของพุทธเจ้าขอเป็นอาการะลิโปยังจะใช้กับ กระบวนการกที่ใช้กับคนรุ่น Gen X ยังจะใช้กับ Gen Y ได้หรือไม่เชื่อมโยงไปที่รายละเอียดด้วยว่าอยา่าง P4P เข้ามามีเงินเข้ามาคนรุ่น Gen 4เข็นเพื่อนๆก็มีรถมีเงินมีตำแหน่งมีหน้าที่เขาจะอินกับคำว่าพุ่มเททำงานแล้วก็มีความสุขกับความสำเร็จของงานอได้นหมครับอาจารย์มีอะไรแนะนห คือตอมาลึกสมัยที่เราเป็นเด็กประมาณวัยรุ่นนะสิบเจสิบแปดยี่สิบเนี่ยครูบาอาจารย์รุ่นสี่สิบห้าสิบก็คงมองเราเนี่ยแบบเดียวกับที่เรามองเด็กรุ่นนี้เหมือนกันว่าไอ้รุ่นเราเนี่ยมันจะไปไหวไหมเพราะว่ามันก็เริ่มจะบริโภคนิยมแล้วแต่ว่าปจิบันรุ่นเราก็รงมาอย่างเงี้ยแล้วเราก็มีความสำนึก ถึงสังคมมีความห่วงใหต่อผู้ชนใช่ไหมแล้วที่ว่าคนที่เป็นรส่นธิ์เราตอนนี้นะก็คงมีหลายคนไม่น้อยที่คงเหมือนเราตอนเมื่อส0สิปีที่แล้วก็คือว่าไอ้ที่มีแววแล้วก็ที่สามารถที่จะเติบโตบนเส้นทางที่ที่ที่ดีงามเนี่ยมันก็น่าจะมี เต ว, ว่าก็ต้องยอมรับ ว, ว่ารุ่นเราเมื่อตอนเราสมัยที่ยังเป็นวัยรุ่น30ปีที่แล้วเนี่ยก็คงจะมีอะไรแ ต, ตกต่างจากวัยรุ่นตอนนี้ไม่น้อยหรือเพราะวัยรุ่นที่เราเรียกว่า X, X, y, เจน X เจน Y แต่ตามาว่าพยายามมองว่าเขามีข้อดีอะไรว่าข้อดีของเขาเนี่ย หนึ่งข้อข้อดีคือข้อเสียข้อนี้ค่อยจะเป็นคือว่าไม่ค่อยมีมารยาแล้วก็ไม่ค่อยอดทนแต่ข้อดีคือเขาเขากล้าคิดเขากล้าสร้าสรรค์ใช่ไหมแล้วก็เป็นตัวของตัวเองทํายังไงเราถึงจะใช้พลังส่วนนี้เนี่ยให้เกิดประโยชน์ใช่ไหมคือพูดง่ายคือว่าอย่าไปอย่าไปอย่าไปมองเห็นแต่ข้อเสียเขาแต่มองว่าข้อดีข้อดีอะไบ้างและเราอยากใช้ข้อดีนั้นให้มันมากขึ้น กับมาที่ฟุตบอลนะฟุตบอลเมื่อสามสิบปีที่แล้วเนี่ยนะมันดูสนุกสนานน้อยกว่าสมัยนี้เยอะนะตอนที่สมัยนีย้คนที่เล่นก็เจนเท็กอะไรใช่ไหมและการที่เล่นบอลกีฬา น, นี่มันต้องฝึกต้องอดทนมาก ส, สมัยนี้ต้องมีวินัยมากกว่าสมัยก่อนนะคนที่ทำเพื่อแง่งของการซ้อมนะ ก็คนที่เล่นทุกบอลทุกวันนี้ก็เจ็ดยิ้มนั้นนะใช่ไหมแต่มันทำไมมันมีวิ่นัยที่สามารถที่จะทําเป็นทีมได้แต่ทีมไทยเราตอนนี้นะก็ก็ว่าตอนนี้ก็ใช้ได้ดีเท่านะเพราะผู้อลไทยก็ 7x นะใช่ไหมและซิกโกท้ทำยัง่อาทำยังไงทําคนแบบนี้ได้ยังไงถึงออกมาเล่นได้ดีใช่ไหมแสดงว่าเขาต้องรู้หลักรู้เอาเอาเอาข้อดีของคนเหล่านี้เอามาทำให้เกิดเป็นทีมที่ดีได้ โมซิกโกทำจเจนเด็กแค่เป็นเป็นทีมที่ดีที่ทําให้เรารู้สึกร้าใจเวลาได้ดูนะแต่ทำไมเขาได้ดูนะเพราะว่าอย่างนั้นเมื่อซิกโกทำให้ทําให้เจนเด็กมาเป็นทีมบอลที่ดีได้เนี่ยทําไมเราเนี่ยนะจะเป็นอย่างซิกโกไม่ได้ใช่ไหม Rab? ก็ต้องทําให้มันให้สุกสิษของเราเนี่ยมันออกมาเป็นหมอที่ดีเป็นทีมเวิร์กใช่ไ้มฮะสามารถทำได้ อยู่ที่ว่าเราจะใช้คือทุกอย่างเนี่ยมั น, มนทุกคนมีศัก ย, ยภาพทำงา น, นนะอยู่ที่ว่าเราใช้มันยังไงเพื่อเราจาหมอชีวกใช่ไหมฮะหมอชีวกหมอช่วงนี้ไปเรียนหนึ่งไปเรียนที่ตะ ก, กัสรลาใช่ไหมฮะกับอาจารย์ที่สามบามูเรียนมาเจ็ดปีก็สงสัยว่าเมื่อไหร่จะจบสักทีนะก็ไปปรึกษาอาจารย์อาจารย์ ก็อยากจะทดสอบความรู้มีแม็กมีแค่ไหนก็ให้เสียไปไปอันหนึ่งแล้วบอกว่ารอบๆเมืองตะกัสลาหนึ่งยอดเนี่ยให้ไปหามาว่ามันมีพืชหรืออะไรบ้างที่ทําเป็นยานไม่ได้รอบหนึ่งยอดนี่กว้างนะฮะให้ไปหาดูว่าไปคุณเอาว่าที่มันมีพืชหรือมันมีอะไรบ้างที่ทําเป็นยานไม่ได้ท่านชีว่าก็ก็ไปหาอยู่นานทีเดียว แล้วกลับมาแรงงานว่าไม่มีอะไรเลยที่เป็นยาไม่ได้แต่ว่าอะไรฮะแปลว่าเฉพาะพืชก็เป็นยาได้พืชที่พืชที่ที่เป็นทิดมายรากอุตพิดซึ่งน่าเปลียดก็เป็นยาได้ดดปไปไดแปลว่าอะไรทุกอย่างมีประโยชน์หมดทุกอย่างมีศักยภาพในการเยียวยาได้หมดก็หมายความว่าคนทุกคนเนี่ย ถ้าเรามาใช้วิธีคือคนทุกคนเนี่ยก็มีความสามารถกันทั้งนั้นอยู่ที่ว่าเราจะใช้อย่างไรใช่ไหมฮะพิษก็เป็นยายได้ใช่ไหมฮะในการรัลลกษาโรคเพราะฉะนั้นเนี่ยจำาเจ็เอ็กซเนี่ยก็ถ้าเราพยอมทำความรู้จักเขาเข้าใจค่อยดีแล้วก็มองว่เาเขามีสัปยภาพดีตรงไหนเอามาใช้ก็จะทำได้ดีกับเรสิถ้าเกิด ว, ว่าศักรยภาพส่ว น, นั้นเดนการม โบช็อกเหรอถ้าอย่างนี้แตถามผมสนใจในคํำถามเสื<_ nice> <_<_<_็เนื mm ่องช้กลุ<_<_<_่มของกมสุดท้ายเนี่ยได้รับหน้าที่ให้ตีความหมายของดิจิตี่คือความมีศักดิ์ศรีภูุ่ใจกูุ่ใจในวิชาชีพแพทย์ซึ่งเป็นโจทย์ที่เราก็นึกจะไม่ออกเนกันครับพวกเราเองบางส่วนก็ยังรู้สึกว่าในงานหนักเกินไปสถานะที่เปลี่ยนไปชาวบ้านที่มองเราเข้ามาเนี่ยเราแทบจะรู้สึกว่า ความมีศักดิ์ศรีของเราก็าถูกลดทอนลงไปเราเองก็ค้นหาศักดิ์ศรีเราได้ยากมากขึ้นแล้วเราจะไปถ่ายทอดอะไรบางอย่างให้ลูกศิษย์เรามีความสุขมีศักดิ์ศรีมีความภูมิใจในวิชาชีพแพทย์อยากได้กลยุทธ์หรือแนวคิดอะไบที่คุณหมอพูดเนี่ยน่าจะหมายถึงสารภาพเข้าบ้างนะสารภาพเราจะลดลงเพราะว่ากงนรถพระเนี่ยนะสาภาพ <S <S 2> <S 2> พระก็ตามมาลในาสายตาชาวบ้าน <S <S 2> <S 2> ใช่ไหมฮะ โดยไม่เมืองเนี่บางทีขึ้นรถก็ก็ก็เบียดเราเขามีอช่ไแต่สถาภาพกับศักดิ์ศรีเหมือนกันนะฮะโดยเพราะถ้าเราเป็นศักดิ์ศรีตัวเราเองมันเรียกไดว่าเราภูมิเขาจะมองเราอย่างไรยังไม่สำคัญทั้งว่าเรารู้สึกกับตัวเราอย่างไรเรามีความภูมิแใ่ในตัวเองไหมใช่ไหมอาตราว่าอาตรา่าก็เจอคนทํางานนักพูดพนักงาน พนก ง, งานเช่าพูน้อยหลายคนเนี่ยศักดิ์สถานภาพก็ต่ำมากเลยแต่เขารู้ว่าเขามีาศักดิ์ีใช่ไหมฮะเขาทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตนะแล้วเขาคิดว่าเขามีส่วนร่วมเป็นส่วนเป็นเจ้าของโรงบาลเหมือนกันอันนี้มาถึงเจ้าที่โรงบาลนะแล้วสมาชิกว่าสถานภาพเนี่ยกับศักดิ์มันไม่เหมือนกันสถานภาพอาจจะตำ่ำสถานภาพทางสังคมสถานภาพทางเศรษฐกิจนะแต่ว่าศักดิ์ศรเนี่ยมันเป็นเรื่องของ มันเป็นเรื่องของความเป็นเรื่องของมุมมองที่เรามีตั ว, ตวเราถ้าเราทําความดีเราภาคภูมิใจในตัวเองนะศักดิ์ศรีมันก็มีขึ้นมาเองแต่ถึงที่สุดนะถ้ามองในทางธรมนะเราก็ไปเพิ่เรื่องศักดิ์ศรีเพราะศักดิ์ศรีก็ยังเป็นเรื่องอีโก้อยู่ใช่ไหมฮนะถูกเขาดา่าบ้างถูกเขาอะไรบ้าง ก, ก, ก็จะไปโกรธนะไม่สุว่าเสียน้าเสียศักดิ์ศรีอะไรก็ถือว่าเออมาฝึกเรามาฝึกเราให้ใ ห, ให้ลดเล้าตัวตน แต่มาคิดว่าเนี่ยมันถ้าเราถ้าเราถ้าเราแชร์สักศีน้อยลงเท่าไหร่นะเราก็จะมีความสุขได้ง่ายเท่านั้นเพราะหลายคนเนี่ยเอาศักดิ์ศรีไปผูกติดอยู่กับสถานะภาพบางผูกติดอยู่กับซีบ้างผูกติดอยู่กับเงินเดือนบ้างใช่ไหมหรือว่าตําแหน่งซึ่งไอของพื้นี้มันก็ไม่เที่ยงของพื้นี้มันก็ เอาแนลนอนไม่ได้งั้นเราอย่าไปอย่าไปอย่าไปาไปขึ่งพารกติกรบมันเลยแค่เราแค่เรามีความสุขแล้วก็มั่นคงในในความดีที่เราได้ทําเนี่ยอัตมาทิว่ามันก็สามารถตลออเลี้ยงเราให้ให้ทํางานมีความสุขได้แล้วก็จะเป็นที่ยอมรับของเขาเองเป็นที่ยอมรับของผู้คนเองเราจะมีเราจะ เราจะเป็นที่รักของผู้คนมากกว่าเป็นที่น่าเกรงขาอาตอมานึกถึงนะ่เออเซอร์วิลลมออสเลอร์เซอ์วิลัอสเลอร์เียเป็นหมอที่ที่เรียกว่าเป็นเขาบางคนกว่ตั้งเป็นบิดาของการแพทย์แนใหม่นะฮะเออเนแบบคนาดาแต่ว่ามา มาดงที่อเมริกาแล้วแกเป็นคนที่มีครบนะทั้งเฮดทั้งแฮนด์ทั้งพาดความรู้ ance, ทางด้านการแพทย์แกก็เพียบนะความสมารการรักษาแกก็ดีแต่ว่าความสามารถในการสาักษาแกส่วนหนึ่งที่หาดเอื้อมมีคนเล่าว่าเนี่ยเพียงแค่แกเดินเข้ามาในวอร์นเนี่ยคนแค้ก็รู้สึกดีขึ้นเลยคนไข้มไมไม่ทำการตัการอะไรเลย คนแข้ก็สุขดีขึ้นแล้วเพราะเห็นหน้าแกโปรแกรมนคนที่มีเมตตาแกเป็นคนที่เป็นกันเองมีคนบันทึกไว้นะเกี่ยวเรื่องคนที่เป็นเป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นคนไข้ของหมอวินเลี่ยมนะอนมาชื่อดแแูแล้วลองพิจารณาดู เนี่ยตระมาดตัดต่อมันนิดหน่อยนะการได้เป็นคนไข้ของเซอร์เรียกออสเลอร์ในวัยยามคือการได้มีหมอนะอุตตมติประเภทที่เกิดเป็นไปไม่ได้ขณะที่เขาเดินผ่านไป ด, ด, ด, ด้วยความสุภาพและการด้วยเสน่ห์ด้วยปฏิภาณซึ่งจะทิ้งบรรยากาศหวานและร่าเริงไว้ดยดคำคมตรงนี้นิดความที่ขายกันเองตรงนั้นหน่อยจะกกระตีพื้นโรงงานนี่เขาสูขขงเขารล่อแหละเพราะจะมีประเด็นอยู่ตรงปลายดาง ข, ของเขาที่ชี้ใส่ทุกคนเสมอ ในห้องที่เต็มเพื่อบรรยากาศขัดแย้ยกันนั้นพอเขาเดินเข้าไปดูแต่คนไขยของเขากับความต้องการที่จําเป็นที่สุดของคนไทยบรรยากาศก็จะถูกประจุด้วยความมีชีวิตชีวาอันกรุณา ท, ทันทีทุกคนจะรู้สึกว่าสถานการณ์อยู่ภายใต้การควบคุมและทุกคนได้รับอากาศใสใสไม่มีการอ้อมฟ้องไม่มีความร บ, บควนเวลาช่วงขณะที่เซอร์วิลเล่ให้คุณนั้นเป็ของคุณ ม, มันแทบจะไม่คเคยมากกว่าเพียงช่วงขณะนี้ซ้ํา เวลาเวลาฟังพระนันนาซเซอร์ิเลียอสเตรเลนเนี่ยมันไม่มีเรื่องศักดิ์ศรีเรื่องความน่าเรงขาเลยนะมันเป็นเรื่องความรักความเมตตาอาตมาว่าเนี่ยหมรเนี่ยเนี่ยตรงเนี่ยหัวจของความเป็นมอนะไม่ใช่ความน่าเรงขาไม่ใช่ความเคารพในศักดิ์ศรีแต่เป็นความรักความศรัทธาความเชื่อว่าเราจะเราจะ และความสนใจจากหมออย่างเป็นหัวใจอาจามาช่วยตรงนี้ได้สำคัญกว่านะอยา่อยางขออนุ ญ, ญาตแชร์ประเด็นนี้เพิ่มค่ะตอนที่ซีเพอดอออกมาแล้วค่ะสุดท้ายคือ d ี c เนี่ยตัวเองก็สนใจแล้วก็เป็นห่วงเพราะว่าได้ยินที่มาของซีเพอเดียนเอด้วยว่าผู้บริหารของสปปชเนี่ย ถูกท้าทายด้วยโรงเรียนแพทย์ว่าโครงการพิดแพทย์เพื่อชาวชนบทนี้กำลังสร้างแพทย์ชั้นสองเพราะนั้นเนี่ยก็เลยต้องพยายามหาอัตลักษของลูกศิษย์เราทีนี้พอคำว่าถูกท้าทายแล้วก็ต้องหาอัตลักเนี่ยมันมันเป็นดนะีเฟนท์ไมแค่ที่ซึ้งเนาะแล้วก็ส่วนใหญ่เมื่อไรที่มันมีหมดปกป้องตัวเอง อัตตาเนี่ยมันจะแสดงตัวแล้วก็ดิจิตี้ตัวเนี้มันก็เลยกลัวว่ามันจะกลายเป็นอัตตามากกว่าเมตตาหรือมากกว่าเห็นคุณค่าที่แท้จริงของตัวเองตัวเนี้ก็ขอบคุณที่อาจารย์นิคมพูดขึ้นมาแล้วก็พระอาจารย์ก็เป็นนอสตรงนี้ได้ชัดเจนแล้วก็ตัวเนี้เป็นตัวที่อยากฝักทุกส่วนเลยนะที่จะสื่อสารเรื่องซีบอดเอตรงนี้ให้มันชัดเจนเออ นึกเวลาพูดถึงดิมิตี้เนี่ยก็จะนึกถึงภาพป้าหมอลทุกคนรู้จักป้าหมอลัดของเราแล้วใช่ไหมคะป้าหมอลัดเนี่ยเวลาที่ไม่ว่าเธอจะอยู่ในพื้นที่ใดเนี่ยเธอก็จะเป็ น, เ ป, นเป็นตัวตนของเธอแบบเนี้ค่ะๆๆแล้วก็มีประโยคหนึ่งที่ประทับใจป้าหมอลัดชอบบอกว่าเราภูมิใจที่มีความเป็นมีบ้านนอกเป็นของตัวเราเพราะว่าเราเป็นหมอบ่านนอกแล้วก็ ออลูกๆมอท ส, สที่ไปอยู่กับป้าหอรัตเมื่อกลับมาทุกคนเนี่ยเออต็มไปด้วยความภูมิใจเห็นคุณค่าคือบียิงของป้าอรัตนะคะอินสปาลูกๆให้รู้สึกว่าการมีบ้านนอกเปของตัวเองเนี่ยมันเป็นอะไรที่มีคุณค่ามากๆเลยภาพจะเป็นอย่างนั้นนะคะนี่คือดิจิตี้ที่แท้จริงที่อยากเห็นในตัวลูกๆของเรา ป้าหมอรัตนี่แทบไม่นั่งจากบทความที่เมื่อกี้พระอาจ า, ารย์อ่านเรื่องของเซอร์วิลเลียมออสเลอร์นะคะลูกๆพูดนะคะไม่ใช่ลูกพูดเองลูกๆนาสปาอจะพูดว่าป้าหมอเดินไปที่ไหนเนี่ยคนไข้จะแบบรู้สึกมีความสุขมากๆบ๊อบ๊บอีกเยอะแยะปดติดตามมากผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับป้าหมอรัอ้นอาจารย์สุขเชิญค่ะมีไมค์ใช่ไหม S <S <S เ็นเองครับผมสุรชัยสระฤทธิชัยนยมมัน่งโยหมาเนี่ยก็ได้มีโอกาสที่ลูกชายไปดนกุารดูผมผมอยากเรียนถามเพื่อทราบแนวคิดและแนวปฏิบัติคือครูแพทย์ที่นั่งอยู่ที่นี่เนี่ยเป็นครูแพทย์อยู่ในกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็มีคนหนึ่งที่เป็นครูแพทย์ที่อยู่ในมาาลยส่วนหนึ่งเนี่ยคือผมจะถามในเรื่ อ, องของการเปิดอา ในขนาที่เราจะสร้างความสุขให้เด็กเนี่ยจากดู แ, แทบที่รับภาระค่อนข้งางมากในงานบริการในด้านการสอนในสิ่งต่างๆแม้กะทั่งครอบครัวหลายคนที่มาที่นี่เนี่ยยังคิดถึงลูกอยู่ที่บ้านคิดถึงภรรยายอยู่ที่บ้านผมอยากเรียนถามแล้วก็อยากเรียนรู้จากอาจารย์ในเรื่องเกี่ยวกับการรักษาสมบุลในชีวิต แนวเรื่องนี้หลักการอย่างไรเพื่อพวกเราเองในขณะที่งานหนักเนี่ยแต่เราก็สามารถที่จะดำรงชีวิตแล้วก็สามารถที่จะทําสิ่งที่ดีงานในบทบาทและหน้าที่ของเรามันคือเรื่องสนุนชีวิที่สําคัญมากนะฮะเพราะว่ามันมักจะเป็นมิติที่ถูกต้องค่าส่วนใหญ่เราไปนในเรื่องโกรธเรื่องความก้าวหน้าซึ่งมันก็ค่อนข้างจะเป็นการคิดในเชิงลีนีอาร์มาก ไปเรื่อยๆแต่สมดุลเนี่ยมันมันเป็นการเป็นการมองในมุมหนง plot, ก็คือว่ามานต้องทำให้เกิดความสอดสีพิจารณาเช่นความสมดุลระหวา่างงานภายนอกกับงานภายในหรือความสมดุลระหวา่างงานครอบครัวกับส่วนตัวนะฮะอันนี้เราแต่เราอาจจะเรามองเราจะแยกเป็น2หรือสาก็ได้แต่ต่อมาอีกเริ่อที่สองก็คือว่างานภายนอกงานภายในเนี่ยงานภายนอกก็คืองาน งานบริการงานรักษาคนไทยงานสอนอันนี้รวมถึงครอบครัวก็ด้วยก็ได้แต่ว่าก็ไม่ควรที่งานภายใ น, นต่อก็ไม่จะเปรียบเหมือนกับต้นไม้ต้นไม้มจะสูงได้มันจะแผ่ ก, กิ่งก้านได้ก็ต่อเมื่อมันมีรักที่ลึกถ้าต้นไม้สูงแผ่ ก, กิ่งก้านเล็กกว้างให้สาวประสาทม า, าัยใช้ร่มเงาแต่รากมันไม่ลึก วันนี้คือดีฉันลมพายุมันก็โค่นใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยิ่ง ม, มียิ่ง ม, มีความรับผิดชอบสูงเนี่ยก็ยิ่งต้องมีต้องมีฐานใจที่ลึกนะซึ่งอันนี้เนี่ยก็ก็เป็นเรื่องของการสุดจิตสุดใจที่จะหนึ่งมีความสุขใจสามารถที่จะสร้งางความสุขใจได้จากสิทงที่ทำจากงานที่ได้ประสบรวมทั้งจากการฝึกจิต ด, ด้วย ถ้าเราสามารถที่ให้ความสำคัญการฝึกจิตของเราซึ่งไม่เป็นต้องมาเถึงการเปลี่ตัวไปอยู่วัดทํา น, นั้นแต่หมายถึงว่าเวลาทํางานเนี่ยเราก็ทํากิจแล้วก็ทําจิตไปในตัวด้วยอย่างที่อาจารย์พุทธชบาทำงานเป็นการปฏิบัติธรรมเนี่ยก็คือว่าทํางานคือการทํากิจปฏิบัติธรรมคือการทําจิตระหว่างที่เราฝึกระหว่างที่เราอยู่กับลูกศิษย์นะทำงานกับคนไข้เนี่ย มันไม่ใช่แค่ทำจิตเท่านั้นมันทำจิตได้ด้วยเช่นทําจิตก็ ค, คือการทํางานอย่างมีสติกับปล่อยวางอยู่กับปัจจุบันอันนี้เป็นต้นนะฮะมันจะช่วยทําให้ทําให้เราทํางานได้ดีและทําได้นานและมีความสุขตัวอย่างที่ธรรมาชอบยกนะฮะดูเหมือนจะอาจจะไม่เกี่ยวข้องบางที่เราพูดกันแต่ว่าที่จริงเกี่ยวข้อมากเลย เพื่อออกมาเนี่ยเป็นเป็นพระเซนชาวอเมริกันจะเล่าว่าเนี่ยอาจารย์ของอาจารย์ของแกนเนี่ยเป็นชาวญี่ปุ่นเป็นพระเซนชื่อว่าจุนรีวสุสุกิจุนรียวที่เป็นอาจารย์ที่มีชื่อนะัเพราะแกเป็นคนที่สร้างวัดเซนแห่งแรกในอเมริกาที่ซานฟรานซิสโกเมื่อสักหกกว่าปีที่แล้วตอนที่มาสร้างก็ปมาณปีพันเกร้อยหกสิบกว่านะอาจารย์ชุนเรีวตอนนั้นก็ยี่สิบแล้ว ตัวก็เล่นแบบญี่ปุ่นนะสมัยก่อนเวลาสร้างวัดเนี่ยก็ต้องขนอิฐขนไม้ขนหินก็มีลูกศิษย์ชาวอเมริ ก, กันซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็คือพวกที่เริ่มเข้าสู่กระแสเริ่มทุนกระแสแล้วซึ่งเราเรียกฮิปปี้อะนะคนทีผผ่ผมยาวอายุสิบแปดสิบเก้ายี่สิบเนี่ยทั้งหญิงทั้งชายก็มาช่วยกันช่วยกันขนอิฐช่วยกันก่อสร้างแ้าทุกคนเลยนะทําไปได้ครึ่งวันนะ เหนืหมดแรงอาจารย์ชุนรีวเนี่ยทำทั้งวันตัวเล็กกว่าอายุมากกว่ารู้สึกก็เลยถามอาจารย์ทำได้ยังไงอาจารย์ชุนรีบอกว่าก็ผมพักทั้งวันเนี่ยพักอะไรก็เห็นทํางานทั้งวันไอ้ที่พักไม่คือใจพักร่างกายแบกแต่ใจไม่ได้แบกด้วยใช่ไหมตัวเนี่ยแบกหินแต่ใจไม่ได้แบกใจแค่ดูเฉย แต่แค่ดูกายมันแบกบแต่ส่วนใจลูกศิษย์นะนะมันแบกบทกายแบกทัใจตัวก็แบกกายให้ตัวก็แ บ, บ ก, กแบบหินใจก็แบกความทุกข์เมื่อไหร่จะเสร็จเมื่อไหร่จะเสร็จว่าอะไรเนี่ยใช่ไหมแบกบความเหนื่อยความเมื่อยความล้าอาจารย์นี่แค่ดูเฉยๆอาจารย์เลยบอกว่าผมพักทุกวันนี่เรียกว่าอาจารย์เนี่ย ท, ทำจิตและทําจิตด้วยใช่ไหมครัสิ่งที่อาจารย์ทำเนี่ยคือการการทํางานอย่างมีสติ การชนเร็วเนี่ยทำานมีสติเมื่อทํางานงมีสติเนี่ยนะใจมันก็ได้พักนะเพราะฉะนั้นการทำงานาปฏิบัติธรรมในความหมายนี้ฮนะถ้าเราทำยุ่งยุ่ยถ้าเราทำเนี่ยนะใหการทํางานมันจะมันจะเหนื่อยน้อยลงคือเหนื่อยกายแต่ใจไม่เหนื่อยส่วนใจเนี่ยนะมันมันเหนื่อยใจนะคนทํางานทํางานอย่างพวกเราเนี่ยนะมันทําทั้งวันเนี่ยบางทีกรรมกรทําทั้งวันนะ เขาอนหลับสนิทนะตื่นขึ้นมาก็เฟรชแต่พวกเราเนี่ยทำงานนะัเราก็ไม่สนิทตื่นขึ้นมาก็ไม่สดใสนะเพราะว่าเรามันมีอาการเหนื่อยล้าทุนใจขึ้นมาผสมและตัวนี้คือปัญหามันไม่ ป, ปัญหาที่ช่วงทางานที่ป็นเยอะนะแต่มเป็นเพราะว่าเรามีความเครียดทางอารมณ์สูงนี่ถ้ากิดว่าเราทํางานเนี่ยแม้แม้งานจะจะเยอะแต่ว่าเรารู้จักปล่อยวางไม่แบกอารมณ์เข้าไปเนี่ยมันจะเหนื่อยน้อยลงมันจะล้ามันจะเบิร์นท่าน้อย อัตมาช่วยเรตรงนี้สำคัญแต่จะทำนี้ได้มันก็ต้องต้องปลี่ตัวมาฝึกซะหน่อยอัตอมาประทับใจนะหมอวิสุทธ์คุณกเกษรสันติเรารู้จักใช่ไหมครับแกโด น, นตัดสินปหารชีวิตใช่มครัแล้วก็ต่อหลังลดโทษเหลือตามบทต่อหลชีวิตแล้วก็ต่อหลัก็ลดโทษไปเรื่อยๆรื่ทั่ออ ง, ทงออกมาจากคุกแล้ว กสัมภาษณ์นักสืสบพิมนักสืบปากพิมได้บอกว่าเสียดายที่ต่กรเนี่ยพุ่มเทกับงานในหัวเนี่ยคิดแต่เรื่องวิจัยเรื่องการรักษาเรื่องการทํารายงานเรื่องการสอนไม่สนใจเรื่องการฝึกจิตเลยใช่ไหมไม่เห็นคุณค่าของการปฏิบัติธรรมแต่ตอนนี้รู้แล้วว่าเนี่ย นี่เป็นสิ่งสำคัญเหนืออื่นใดถ้ากลับไปเป็นห น, นุ่มได้เนี่ยก็จะไปปฏิบัติธรรมไม่มัวทำตอนแก่คือหมอวิสุทธิ์เนี่ยนะแกก็แกเจอปิกิญในชีวิตแต่ปัญหาแกก็ไม่เบินเอาแต่ว่าแกไปทำให้คนอื่นเนี่ยหายไปจากโลกนี้แทนแต่นี่ก็เป็นเพราะของเขาเสียสูญนะแกแกเสียสูญนี่แล้วแก พ, พกอพอเิดปัญหาบางอย่าง แกก็เลยอารมณ์โชวุูแล้วการตัดสินใจของแกนั้นมันมีผลถึงแกมากมายไอ้ที่แกพูดที่สำคัญนะแกจะเป็นรองศาสตราจารย์ใช่แกํางานกวิทย์ยอนะแล้วแกก็มีชื่อเสียงเป็นทำเด็กหลอดแก้วอันดับต้นๆนเอเชียแต่ว่าแกอย่างที่บอกเยแกทุ่มเทงานในหัวที่มีแตเรื่องทำงานทำงานทำงาน ไม่คิดไม่ไม่คิดว่าการเรื่องการฝึกจิตหรือเรื่องการเจริญสติเรื่องสําคัญเสรแล้วแกก็พลาดใช่ไหมครับคนที่เบิดมาก็อย่างนี้เหมือนกันเหรอเพราะฉะนั้นเนี่ยธรรมคิดว่างานภายในนี่สําคัญนะครับออย่ารอให้แก่เลยเพราะว่าอาจจะไม่ทําได้แก่ใช่ไหมครับหมอพิสุทธิ์แกเกิดเกือแเกิไม่ทําได้แก่แล้วเนี่ยนะครถ้าแกไม่โดนรถตู้แกก็ไปแล้วนะเราะฉะนั้นตรรมคิดว่าก็ พยายามให้ความสำคัญด้านนี้นะการฝึกจิตการการปฏิบัติธรรมจะเข้าคลาสไม่เข้าคลาสไม่เป็นไรแล้วก็รู้จักจอามาใช้ใ apply, แอพพลายกับเวลาเราทำงานจะช่วยได้เยอะเลย ว่าดีค่ะทำงานเป็นอาจารย์อยู่คณะธรระแพทย์มหาวิทยาลัยขอนแก่งค่ะคือจะเรียนถามจาจกนันว่าบางทีไอ้สิ่งที่เราให้เป็นรางวัลหรือว่าอาจจะอย่างเช่นเป็น P.O.P. หรืออะไรก็ตามค่ะคือมันบางทีตอนที่เราสอนนักเรียนเราก็คิดว่าเราอยากให้นักเรียนมีแรงจูงใจอะไรเงี้ยค่ะเราก็ตั้งว่าใครทำเสร็จให้รางวัลหรือมีสิ่งกระตุ้นอื่นๆ แบบนี้มันเป็นการสอนที่ถูกหรือเปล่าหรือว่าเราไปสร้างกีเลสให้ให้นักเรียนมันอาจจะไกลเป็นว่าเราสอนผิดทางจนทําให้เด็กไ ป, ปยึดกับราบวันลหรือว่ามีการตอบแทนหรือเปล่าถ้าเกิดมันใช่เราจะมีวิธียังไงที่เราจะสอนเด็กให้ได้ให้ได้ดีขึ้นนะคือธรรม ừ, าพ่อก็เป็นส่วนเสริมนะต อ, อนในแง่หนึ่งเนี่ยถ้ามีเงินเงินก็มีประโยชน์นะมันก็ช่วยทําให้ ทำอะไระทำอะไรต่ออะไรได้ง่ายขึ้นแต่ว่าก่อนที่จะมาถึงเรื่องเงินการใช้เงินเป็นแรลงจูงใจหรืเป็นแลงกระตุ้นเนี่ยควรจะมีอย่างที่นเป็นแรงกระตุ้นที่ที่เป็นหลักเนะช่นความใฝ่รู้นะหรือว่าความสุขกอการทำ ง, งานไม่ยใช่ว่าเสียสละเพราะว่าตอนเ ส, เสียสละแนะ้วนะว่าต้องตัดก้อนเกิ น, กนหรือไงเนี่ยมันไม่ใช่ใช่ัหม ทำงานก็มีความสะดวกการทํางานได้เรียนก็มีความสะดวกการเรียนได้ถ้าไมเขาเนี่ยได้ได้มีแรงจูงใจแบบเนี้ยคือ ม, มีไฟน์ i n t e n t i o นะที่จริงเนี่ยพูดถึงผลการผลการผลการสอบนะมันก็มีการวิจัยพบนะว่าระหว่างระหว่างผลที่ทําข้อสอบเนี่ยนะระหวคนที่ทําข้อสอบนะแต่ถ้าแบบแต่ถ้าแบบ G Mac ในะในอเมริกาเนี่ย สกลุ่มเนี่ยกลุ่มหนึ่งเนี่ยบอกว่าเนี่ยถ้าคุณทําถูกข้อสอบทําข้อสอบถูกได้ไปห้าสิบเซนนะอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยไม่มีอะไรเลยการเป็นแต่ว่าอยากจะช่วยเราอยากจะศึกษาคือเรียกว่ามาว่าเป็นส่วนของการศึกษาวิจัยก็คือมาช่วยให้การความวิจัยเนี่ยมันไ ด, ได้ได้ความรู้มอกเหนือยมากขึ้นแล้วก็เพราะว่าสองกลุ่มนี้นะเอาห้าสิเอาเอาเอ า, เอ า, เ, อ า, เ, อาเอากลุ่มที่ได้ได้เอาไม่ว่าจะมองจาก ระดับไหนนอกจากสิบคนแรกที่ได้คะแนนสูงสุดนะหรือว่าภาพรวมทั้งหมดนะก็พบว่ากลุ่มแรกเนี่ยจะได้คะแนนดีกว่าแต่บรรดาคนที่สุมติคะในนเตห้าสิเนี่ยไอ้กลุ่มที่ไม่มีไม่มเงินของตอบแทนเนี่ยมันจะได้คะแนนเนี่ยได้สี่สใช่ไหมส่วนไอ้กลุ่มที่ต้องการเงินเนี่ยนะต่ำกว่าสี่สิบอาจจะประมาณสามสิบห้าภาพรวมหมดเลยเนี่ยเอฟเฟกซ์ คะแเฉลยทั้งหมดเนี่ยของทั้งหมดเลยห้สิบคนเนี่ยก็พบว่าไอ้ที่ไม่มีเงินไปแรงจูงใจค่าเฉลยก็สูงกว่าทางประมาณสามสี่ห้าคะแนนยี่สบแปดไปยสิบสี่แล้วี่ น, 28, 24, งนองเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ย อ, อคือเราใช้สมมฐานว่า ม, ม, ม, นะมีผลตอบแทนแล้วจะทําได้ดีเนี่ยมันก็ไม่แน่เสมอไปนะถ้าเกิดว่าเขามีแรงจูงใจอื่นที่ดีกว่าแต่ถ้าไม่มีแรงจูงใจเลยนะ ก็บังเอาเงินล <conclusions> ่อใช่ไหมเพื <huh> ่อให้มีแรงดึแต่มามีแรงจูงใจอื่นที่ดีกว่าทั้งในแง่ที่ว่าประสิทธิภาพดีกว่าและคนทํามีความสุขมากกว่ามันมีก็คือการช่วยผู้อื่นหรือว่าการคิดว่าเออเราจะไปเราเป็นเรามีส่วนช่วยในการทําการทําวิจัยนะเนี่ยนี่เป็นตัวอย่างเพื่อที่จะมาช่วยพยายามปลูกฝังแรกจูงใจแบบนี้ให้เกิดในตัวแต่แต่ว่าอย่างที่ แต่เขาต้องมีเงินใช่เป็นหมอก็ต้องมีเงินเป็นเพียรบ้ก็ต้องมีเงินก็ต้องมีเงินจุนเจือที่ฟอเพียร์มันจช่วยส่วนนี้อย่างไรหรือไม่ก็เป็นประเด็นแต่ถ้าให้มันเป็นแรงจูงใจอันเดียวเลยเนี่ยหรือว่าแรงจูงใจหลังเนี่ยตมาว่ามันจะเป็นผลเสียได้หรือว่าได้ใน่คุ้เสีย งานหมดไป ในบริหารสี่เนี่ยมันมีความหมายสองระดับเลยนะก็คือว่าวางเฉยคือไม่ทําอะไรแล้วก็ปล่อยวางก็คือว่าใจก็ปล่อยด้วยไม่ทําอะไรเพราะอะไรไม่ทําอะไรเพราะว่ามันทําไม่ได้มากมันมันทำเต็มที่แล้วและถ้าทํามากกว่า น, นั้นจะเกิดผลเสียตัวอย่างเช่นว่ า, าแม่เนี่ยนะ เด็กไปขโมยขโมยเงินหรือเด็กเด็ไม่ทํากานบ้านถูกครูลงโทษหรือเด็กขโมยเงินแล้วถูกครูลงโทษแม่เนี่ยถ้าไปช่วยลูกไปแก้ตา่างไปแก้ตัวให้ลูกว่าลูกเนี่ยไม่ได้ขโมยนะหรือรูกว่าหรือว่าจริงๆเนี่ยลูกทำงานบ้านแต่แต่ลืมสมุดไว้ที่บ้านนะ่ะไปบอกครูแบบเนี้ย อันเนี้ยเป็นการช่วยที่มันเกินเลยไปแล้วเกินเลยขอบเขตไปแล้วเพราะถ้าช่วยแบบนี้เนี่ยมันจะเป็นผนเสีกับเด็กใช่ไหมฮะอันนี้ก็ต้องต้องหยุดนะต้องวางเฉยนะต้องให้ต้องยอมให้เด็กเนี้ยถูกครูลงโทษแต่ในกันใจก็ต้องวางด้วยนะก็เพราะว่ามองว่าการที่เด็กถูกลงโทษเนี่ยมันก็มีผลดีกับเด็กจะไปเสียใจมากเพราะว่า บางครั้งเนี่ยคนเราเรียนรู้จากการที่เราถูกลงโทษด้วยใช่ไหมฮะก็ต้องการที่เรามองแบบนี้ก็ทําให้เราวางเฉยทําให้เราปล่อยวางไม่เสียใจใช่หมฮะหรือวคนไข้ซึ่งคนไข้หนักในคนไข้คนหน้าคนหน้าไปแล้วเนี่ยตอ า, นนยรารู้ว่าทําอะไรมากกว่าแบบนี้ไม่ไดนะ้เพราะว่าการทำมากไปกว่นเนี้คือยื้อเขาเนี่ยมันทําให้เขาเทารามาร์ใช่ไหมฮะคอือตอ้นก็ต้อยุดละแต่คนหมออะไรคนเนี้ย รู้สึกว่าดึุไม่ได้การอยู่เฉยๆเนี่ยมันเป็นความสึกที่แย่มากสำหรับหมอเพราะหมอได้ถูกฝึกมาให้ทำหมอไม่เคยฝึกถูกมาให้รู้จักวางเฉยบ้างแต่บางครั้งเนี่ยมันจุดตรงนี้ยถ้าทําอะไรมากเกิมากไปแบบนี้เนี่ยมันตรายคนไข้มันทำให้คุไขทรมานโอเคเขามีลมหายใจยืนยาวขึ้นแต่ก็ทรมานฉะนั้นเพราะนั้นเนี่ยหมอก็ต้องดยุดแต่ที่จะไปแทรกแซงทางกายก็จะไปดูแลทางใจแทนนะ ไปพูดเท้กำลังใจเขาหรือทำให้เขาเนี่ยปล่อยวางแ้่เกิดขาเนี่ยมันมีความหมายว่ามันเป็นเรื่องการที่การใช้ปัญญาพิจารณาแล้วว่าถ้าทำมากไปกว่า น, นี้มันจะเกิดต้นเสียก็ต้องหยุดเมตตาเนี่ยอยากจะทำแต่ปัญญาบอกว่าถ้าทำมากไปกว่า น, นี้อันตรายเกิดต้นเสีย เพราะนันเนี่ยผู้บคาเนี่ยตัวที่เป็นตัวที่เป็นพื้นฐานนีคือปัญญาที่จะคอยเตือนเมตตาว่าอย่าทำ่าไปกว่ น, บบนี้เพราะทำากไปว่า น, บบนี้มันจะมีผลเสียและปัญญาก็ช่วยทำให้ปล่อยวางเพราะรู้ว่าสถานการณ์ที่เป็นอยู่ตอนนี้เนี่ยมันมันทำอะไรไม่ได้แล้วใช่ไหมครับ ถามอาจารย์ รู้ที่สามไหมอ่าคือคือว่าหมายถึงว่าเป็นปีะยชน์ตอนเด็กด้วยแต่ว่าปิดช่องทางไม่ให้มีการทรัชชั่นโกกินนะหรือว่าเพืแต่ว่าเราคือว่าเราทําเต็มที่แล้วแต่ว่ามันก็ยังมีช่องทางอยู่ไม่ว่าจะทำยังไงก็ตามถึงตรง น, นี้นก็ต้องอุเบกขามีต้นทางสุดที่ชายอยู่เคยถางของพ่อคุณ น, นะว่าไอ้เงินบริจาคเนี่ย ให้หลงพ่อขอพี่ลวงพ่อเนี่ยนะหลงพ่อไม่กลัวหรือว่ามันจะล้วนไหลไปทางอื่นใช่ไหมท่านก็อตอบว่าเวลาเวลาเวลาช่อ ม, มูเนี่ยมึงจะไม่ให้มีหมูติดเขียงเลยเคือช่อมูเนีไงมังนต้องสมมงั่หมูไงมันต้องมีหมูติดเขียงใช่ไหม <c oughs> หรือว่าเรากินกินนักกิน กินก๋ยเตียงก็ต้องมีน้ำเหลือใช่ไหมหรือว่าเรากินอาหารอะไตามน้ำจิ้มนก็มีเหลือเราเคยเคยเคยใครบ้าทีาาากาก่กินกินก๋วยเตี๋ยวก็หมดชามไม่มีน้ำไม่ก็นัง่งหยดเดียวเลยหรือว่ากินกินอะไพวกกินอาหารเสริฟเนี่ยไอ้น้ำจิ้มเนี่ยหมดเลยมีไหมมก็ต้องเหลือใช่ไหม <c oughs> คือในกรณของพวกคุณเนี่ยพูดถึงการทีว่ามันยังไงในกรณีของท่านนะคือยังไงมันก็ต้องรั่วไหลไปบ้าง อันนั้นเป็นเรื่องของวัดแต่ว่าเรื่องของเราเนี่ยอถ้าว่าทําเต็มที่แล้วเนี่ย ม, มันมีมันจะมีช่องทางว้อยคนที่ทิ่จะโกงนะมันก็ต้องหาช่องทางกินได้ก็ต้องอุเบกขาเพราะว่ามีงานก็หาทางกิ่ได้แต่ถ้าเกิดเราเห็นตรงโจงมี่วนอะมันมันเปิดช่องให้เข้าได้เลยนะอนตมา ว, ว่าก็ยังยังไม่น่าจะอุเบกขาเพราะว่าหาทาง <c oughs> ป้องกันหรือว่าหาทางหาทางเลือกที่สาม เพราะม่ั้นก็เราเราส่งเสริมอยู่ไกลายคือถ้าเราทำเต็มที่แล้วก็ยังมีมีช่องทางให้เขาทำผิดเนี้ยค่ะเราจะเบิกขาด้วยวิธีไม่ทำงานนั้นหรือเบิกขาด้วยการทำเป็นไม่รู้ไม่ทีกับความผิดเนี่ยค่ะอาจารย์เราจะตัดสินใจยังไงดีคะคือ ถ้หากว่าเราพยายามทำยังไงเนี่ยมันก็ยังมีช่องทางแต่สิ่งที่เราเราต้องเลือกช่องทางที่มันมีรั่วไหลน้อยที่สุดแต่ถ้าไม่ทําเลยเพียงเพราะว่ามันจะมีคนได้ประโยชน์แม้เพงเล็กน้อยเนี่ยเหมือนเทกับว่าเราทําให้เสียประโยชน์ที่เกิดกับ น, นักเรียนนักศึกษาอันนั้ก็ไม่ได้แต่ขอให้เราพยายามที่จะป้องกันให้เต็มที่นะครับก็ต้องทําใจว่าเนี่ย ยังไงหมูก็ติดเทียงอยู่บ้างเอนกัิ่าค่ะตรงเนี้ยก็มีประเด็นประมาณนี้อยู่นะคะคือไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ทงานในบ้าตรงเี้แต่ว่าก็เืนเนี้ยก็เป็นจริงๆเขาลาออกจากเอกชนมันก็เขาไปทำงานในโปรเจกต์ของเหมืงงานราชการต่างแล้วเขาก็มักจะอุตสาห์ุ่งไป่อนประมาณนี้เช่น แล้วเพราะว่ามันมันรั่ว เล่าครับครับครับผู้กำกัหลวพ่อครับอสองราศครับผมขออนุญาตแบ่งปันหรือว่าแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นทั้งเบตขาแล้วก็สิ่งที่เหมาะสมเรื่องการให้รังมันเด็กผมว่ามันเรื่องเดียวกันส่วนตัวมีประสบการณ์ว่าการคนชอบพูดว่าสอนเด็กให้จับปลาเป็น โดยสอนทําเบ็ดทําแผตัวนักขัตฯเขก็สอนแบบนั้นแต่ตัวผมเนี่ยผมคิดว่าสถานการณ์จริงคือถ้าเราไม่ให้ปลาแห้งใส่เต้ใส่ถุงให้เขาไว้บ้างสอนวัวแต่สอนทําเบ็ดทําแผลเนี่ยเด็กตายหมดก็ก็มาตรงกับความรู้สึกหรือสถานการณ์ปัจจุบันที่อาจารย์มีคมเล่าตั้งแต่ต้นเนี่ยผมนั่งฟันแล้ผมรู้สึกอยากอยากอยากแลกเปลี่ยนสถานการณ์เป็นแบบนี้อ่ะ คือธถานการณ์ที่เด็กยังต้องการสิ่งตอบแทนที่เป็นประถุข้อเข้าโตแบบนี้ก็เหมือนอาจารย์เยเชียรอนนี้ทภาพผิดสอนในห้องใหญ่แล้วเอาสิ่งล่อเป็นสิ่งที่เราเดาว่าโรกับฉล็มเช่นคะแนนใบข้อสอบหรือรางวัลคำชม ประเด็นมันอยู่ที่ว่าเราเนี่ยจะทําแบบนี้พราะรู้เท่าทันว่าสังคมและเด็กเป็นแบบนี้ก็ทําไปไเรื่อยๆหรือว่าทําพรารู้เท่าทันและใช้จุดนี้เป็นจุดนําเข้าเข้ามามันเหมือนกับนําเข้ามาเพื่อมาฟังธรรมแล้วเดี๋ยวเดียวาก็ทําในในพุทธการหรือฟังจากเทสต์อาจากย์ไสารเนี่ยมีการใช้อุสโลบายมากมายที่จะทําให้คนมรรคเข้ามาฟังธรรมแลว้วก็ปรรลุธรรมได้แม้แต่การภาวนาชื่อแฝง แม้แต่การจ้างไปบางทาเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเราใช้กูอูบายอันเป็นกูศลใช่หรือเปล่าสติเราต้องอยู่เช่นถ้าผมชมจริงๆผมมาให้รางวัลเป็นผัวหนังด้วยซ้ำแต่ให้แล้วชมแล้วเนี่ยผมว่านะเราผ่านเราผ่านคอร์สจิตปัญญาเนี่ยเราน่าจะมีช่วงรีเฟรชว่าให้เขารู้ว่าบางที่ที่เขาได้รางวัลเนี่ยเขามีความสุขแบบไห น, น แล้วจริงๆอีกคนหนึ่งเด็กอีกคนหนึ่งที่ไม่ได้รางวัลแต่เขานั่งยิ้มแล้วเขนั่งเขียนเขียนเนี่ยลองให้เด็กอีกคนหนึ่งพูดสิว่าบางทีเขาไม่ได้รับคําชมเมนี่ยความสุขเขาอยู่ตรงไหนพอเด็กแชร์มาว่ามันฟินมากเลยที่อาจารย์ยัยาา่วผมเลยลองถามว่าผมค้นเจอเนี่ยแล้วเดี๋ยวเขาได้ยินกันเองก็ใช้โปรเซสเหมอดิหรอกคนที่ได้รับเงินแล้วมีความสุขเขาก็เริ่มรู้สึกแบบเออาสุขนะแต่พอได้ยินเพื่อที่มีความสุขจากการมันมากก่บการค้นคว้ามาตอบอาจารย์ เดี๋ยวมันจะค่อ ย, อยๆเชื่อมและรอๆกันเอใช่ไหมผมคือผมยังไม่เคยทํานะผมก็แตะตัวหนังนะยั่วเขาเพรเด็กวัยนี้เนี่ยที่ผมบอกเออเรื่องนี้สุดยอดเลยบาดไปนี้ดูได้เจ็ดคนโอ้ปหปการกระตูกคุแต่ผมจะจะทําต่อไปว่าผมจะดึงให้เด็กรู้ว่าสมมติเด็กมีกลุ่มนี้สมมุติว่านอกกระดิ๊กกรับเย่ในตัวแต่ว่าแดงรู้สึกไม่สนเลยนะโก้มหน้ากอนแล้วก็ปกผึนความคิดผมทีเลยไปถามว่า นกรู้สึกยังไงนะฮะเราเรียนเรื่องนี้มาแล้วเราให้เขาสะคอนความคิดลึกๆบ้างเด็กไม่คุ้นชินก็สะคอนตื้นๆก็ได้แดงละแดงหมดแดงไม่ส่วนตัวนแดงก็หน่อาเอาละสิพอกระแสมันชักไปไปเราก็อย่าไปถามคนแบบนกมากเยลยเราก็ถามคนแบบแดงมากขึ้นผมกลากรเชื่อมโยงกับจิตปัญญานะก็โยงมาถึงเรื่องเบกขาเนี่ยส่วนตั ว, วมองว่าเคยผ่านทุกแบบเก้าร้าวก็คือว่า เจอเอาถ้าโยงเรื่อเดินก็คือเจอเด็กไม่ฟังครูไม่อยอกใช้วิธีให้นนคะแนนก็เป็นกิเลสครูก็เลยเบอร์เนเาหน้าบึ้มแล้วก็เดินออกไปไม่สอนไหมสุดขั้วหรือเข้าใจมันอย่างที่มันเป็นเข้าใจสังขารสิ่งในี้มันเปลี่ยนสังคมเปลี่ยนเข้าใจเสร็จลองดูชั่วมีอะไรที่เป็นอุบายอันเป็นกุศลหรือกุศโลบายที่จะทําให้ก้องมาน้องนำสัมผัสกันมาเสร็จแล้วเราก็ วางใจได้ที่มันไม่เป็นนะผมว่าอุเบกขาจริงๆมันเป็นอย่างนั้นคือไม่ใช่ช่างโมมันหรืออะไรอย่างมันต้องเป็นอะไรที่เข้าใจผมว่ า, วาเขาเรียกอะไรนะโยโยนิโสมานัสิกามะ s y s t e m thinking มองให้ออกว่าอ๋อกระทรสงเป็นอย่างนี้เพราะเด็กเป็นอย่างนี้อ๋อมันก็เถ็นเป็นอย่างนี้ไงและเราก็เป็นอย่างนี้ใ ห, ห, ห้คนภายในด้วยเรามีร่องความคิดแบบนี้เราเลยตอบสนองกับเด็กแบบนี้เรากำลังคิดแบบนี้เออก็ทํา ทำเรื่องภายในเราก็เรียนรู้ไปวันนี้ยังทาได้ด้วยไรเดี๋ยวไเอาใหม่ไม่รู้นะผมรู้สึกตกผลตรงนี้นิดหนึ่งขอได้เปลี่ยนด้ยครับอาจารย์มีอะไรคอมเมนต์อะไรครับผมเห็นด้วยนะเพราะว่าคือเราสามารถจะคือถ้าเราเข้าใจชัดว่า แรงจูงใจเนี่ยทำไปเพื่ออะไรเพื่อเป็นสภาเช่นรางวัลหรือว่าตัวหนักเนี่ยก็เป็นสภาที่จะดให้เขาเข้ามานะสู่การเรียนรู้และสู่ความสุขที่ที่ปัญญที่ขึ้นไปคือการมีฉันท่านในการเรียนเนี่ยอาตมาว่าก็คงไม่ตัดอย่างพระที่บางทีก็อาศัยแม้ว่าพุ้ธจ้าจะสอนเรื่องอย่าไปพึ่งพาสิ่งศักดิ์สิท ธ, ธิ์ที่ปฏิหารใช่ไหมแต่บางทีพระก็ต้องอาศัยพระเครื่อง พระเครื่องวัตถุมงคลเนี่ยล่อในทำให้เป็นสื่อที่จะพาเ ข, า <S <S <ๆ>ข้าข้อหาธรรมะที่สูงขึ้นนะคือตะวันไม่ไ ม, ไม่ไม่มีปัญหาแนละ้วกับพระที่จะใช้พวกวัตถุมงคลพระเครื่องน้ำมนตหรือว่ายาเนี่ยนะถ้าหว่าใช้มันเป็นสื่อเป็นสภาเขา้าหาธรรมะที่แท้นะอันนี้ก็เป็นเรื่องของกุศโลบายนะแต่ถ้าเกิดว่า ให้ไปแล้วก็จุดแค้นมันนะไม่ทาต่อนะอันนี้ไม่ถูกอย่างน้อยๆเนี่ยให้ไปก็บอกว่าเออมึงทำดีนะรักษาศีลให้ครบนะอันนี้ก็ถือว่าโอเคนะก็คือว่าอย่างน้อยเนี่ยรักไปแล้วเนี่ยก็รักษาศี้อยให้ถูกต้องใช่ไหแล้วก็ต่อไปก็อาจจะออทาชวนเขาให้ทำ่งที่ดีกว่า เคยมีหนุ่มสองคนเนี่มาหาหลวงปู่ดู่นะหลวงปู่ดู่พระบําเบลวู่ดูาต้องรอ ห, ห น, นกกอ้าผาไปนาแล้ววัดสแกรวิทยาเพื่อนเนี่ยศรัทธาหลวงปู่ดูแต่คนหนึ่งเนี่ยไม่สนใจเลยชอบกินเหล้าเพื่อนก็เลยบอกนักเลงเล่าเนี่ยบอกว่าเนี่ยในใมาหาหลวงปู่ดูแล้วก็รับรับศีลสัสแล้วก็ทําสมาธิก็ <c oughs> บอกว่าจะรับศีลได้งไงยังกินเหล้าอยู่เลยจะรับศีลแล้วทําสมาธิได้งไงยังกินเหล้าอยู่เลย ขอูก็เลยบอกว่าแกจะกินก็เป็นเรื่องของแกข้าไม่ว่าอะไรแต่ให้นั่งสมาธิให้ข่าเวละห้านาทีก็พอออาไปพวกก็เอ า, ะ น, เอานะพวกก็ก็นั่งสมาธิหาทีเสร็จแล้วก็ไปกินเล่านั่งวันห้านาทีก็ไกินเล่าตอนหลังนั่งแล้วติดลมก็นั่งนานคือสิบนาทีเพื่อมาชวนกินเล่าบางทียังนั่งสมาธิไม่เสร็จก็ยังไม่ไปนะ แล้วสุดท้ายก็เลิกกินล่านะเลือกเหล้าได้ไงแล้วไปบวชเลยนะคือหลวงปู่ท่านก็ฉลาดนะท่านก็ท่านก็ถ้าอยากกินเรากินไปนแต่ว่าทํำที่เพิ่มได้ไหมใช่ไหมอันนี้ก็เป็นปูบ า, านของทที่ทําให้คนเนี่ยอ่านมานั่งสมาธิโดยที่ไม่ต้องเ ล, ล็กรองเข้มาคือทําให้การคือทําให้เขาเนี่เห็นว่าการทําสมาธิมันไม่ใช่ปเป็นเรื่องทีองเสียสละอะไรมากๆๆกินเหล้า ก, กินไปแต่มันทั่งสมาธิเพิ่มติต่อใช่ไหมในส่วนก็ทําให้เขาเลิกเราได้ นี่ถ้าเราชวนเข้ามาเนี่ยใช้โดยใช้วัตถุใช้เงินใช้คะแนนมาล่อเนี่ยสุดท้ายก็มีตัวนั้นก็มีความสุขการเรียนนะต่อไปก็อาจจะไม่สนใจนะให้คนตอบแทนที่เป็นเงินเป็นวัตถุเป็นตัวหนังเนี่ย ก, ก็มีความสุขที่ดีกว่าจากการเรียนจากการศึกษาอันนั้นคือคือควรเป็นจนุดมุ่งหมายของเราเนะครับผมก็งั้นขอขอนุญาต ปิ s เซสชันถามตอบเอาไว้เท่านี้นะครับครับผมคิดว่าความรู้แล้วก็ปัญญาที่ที่พระานา์แบกปันเนี่ยครับก็ผมคิดว่าอยู่ทั้งในระดับคอนเซ p ปชวลเนาะแล้วก็อยู่ในระดับที่มันไปเป็นปฏิบัติได้นะครับแล้วผมคิดว่า <c oughs> พวกเราก็พร้อมที่จะผมคิดว่าเป็นภาชนะที่พร้อมกับความควาิด คอนเซปต์เหล่านี้ที่จะเอาไปประยุกต์ใช้นะครับผมคิดว่าก็จะสิ่งที่เรามอบได้แน่ๆก็คือปฏิบัติบูชานะครับเราคิดว่ามันก็ไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของคนอื่นเท่านั้นมันก็เป็นเพื่อประโยชน์ตัวเราเองด้วยนะครับก็ในวาระโอกาสนี้นะครับก็อยากจะเรียนเชิญที่หมอตุ๊นะครับมอบถวายกำลังคิดว่าจะเรียกว่าอะไรดีถวาย นะครับบางอย่างนะครับโฟมออนไม่์ใช้ไม่ได้นะครับก็นะครับแทนกับพระอาจารย์นะครับขอบพระคุณในในเมตตาของท่านนะครับแล้วก็นะครับก็ทําบุญก็ ได้รับผลตอบแทนทันทีครับนะครับก็เดี๋ยวอาจารย์พี่มนุาจารย์อาวกวนท่านช่วยหม อ, อนี่ครับเรื่องในวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายเหลือ อ, อ, อ, อีกไม่กี่อีกไม่กชมชมี่ชั่วโมงชั่วโมงนิดๆนะครับก็จะสินส้นสภาพข้าราชการสิ้นสภาพความเป็นข้าราชาการนะครับก็จะ จ, ะจะปฏิบัติ ภารกิจได้ผมเดาว่าอาจจะเยะื่อนปรเดิม น, นะครับคือผมก็ไม่คิดเหมือนกันว่าตัวผมเองพอออกจากราช ก, การจะงานเยอะ <c oughs> <c oughs> นะครับก็รูปนี้ครับก็เป็นรูปที่อยู่ในหนังสือที่ อ, อาจารย์ <ทำ S 1> เขียน ท, ทำเต็มที่แต่ไม่สีทำเต็มที่แต่ไม่สีเรียส น, นะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นต้นฉบับที่มันที่เอาไปทำหนังสือนะครับก็มีลายเซ็นของอาจารย์แล้วก็มีคําที่อาจารย์เขียน เป็นข้อคติเตือนใจจะพูดอะไรสั้นๆนิดๆไหมครับผมแก่แล้วงานเม่อไรมือท่านเย็นมาอะไรสมบทเย็นเป็นสุดเมื่อรู้ทางทุกก็ที่ว่าคุณหมอก็เรียกว่าได้เป็นเัยเรียนพิชชาแพทย์นะแต่ว่าวิชาชี้ก็ได้เรียนมาในว่าเป็นที่แล้วก็ไดีบัตด้วยตอนนั้นเนี่ยก็คิดว่า คาสมสนสนานปรสเนี่ยต้องสามารถเกิดพิจารณาคุณหมอได้ไม่ว่าในในสภาพในชลาของอราชการหรือว่าคนจากราชการไปนะหวังว่านะสเงเกสนนเป็นประโยชน์ที่คุณหมอได้ได้คือเป็นสติเนี่ยนะจะมาเกิดขึ้นต่อเชื่อคุณหมอโดยท่านสามารถที่ สนุกเลยแค่ตีเดียวพอ Dom, มีคิวถวายของ <c oughs> <c oughs> นะครับก็เดี๋ยวท่ <c oughs> นานใดที่เตรียมอของจะมาถวายนะครับก็เชิญเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวถวายเสร็จนะครับ